2557หเจ็วันพระวันนี้วันพระแรม8ปดค่ำเดือน8ปดโอ้วันที่ก็17บเจพศหาบเจ็แรม8ปดค่ำเดือนแปดวันนี้ <c oughs> ปีมาเ <c oughs> มียอ้อาวนี่มาไงนี่หมอดู อหมอดูแบบนี้ขนาดวันยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปดูอะไรถูกโแค่คำยังจับยามยังวันเวลาบุคํายังพูดยังดูผิดนี่ตายตายตายตายตายเสียเครดิตหมอดูหมดตายตายอาวันนี้เราจะบรรยายถึงเรื่องความรักสิบมิติ วิชาความรักสิมิติอาตมาให้ชื่อว่าเป็นวิชาเลยนะจะสอนปีหนึ่งทีนี้นักเรียนอาตมาก็ให้เรียนมามอหนึ 1, ่งมอสองมอสาม 5, มสมอหมอหกให้เรียนโดยกําหนดมอลหนึ่งนี่ก็พยายามเรียนครูพยายามเอาให้เข้าใจดีๆในมิติที่หนึ่งให้ได้นะมิติที่หนึ่งมิติที่สองอ่า มอมสมองก็ต่อไปเรื่อยๆะมิติที่หมิติที่หนึ่งที่สองมหนึ่งมสองมิติสองที่สามมสมิติที่สมที่สี่มสมิติสี่ที่ห้ามหมิติ 6.7 ที 3, ่ดใช่ไหมนับผิดหรือเปล่าหนึ 4, ่งสองสมสี 5, ม่ห้าหเจ็ดแปดสแล้วก็ไปรวบมหอีกอะไรเงี้ย มันมีห้าคู่ก็ไปถึงห ม, 5, มห้ามหกก็รวมหมด น, นี่เป็นต้นก็ให้เน้นอย่างนั้นนะจบามหกก็จบความรักสมิติแต่ที่นี่อามาจะให้เรียนปีเดียวให้เขาเรียปนปีเดียวความรักสมิติเรียนปีเดียวโดยอาทิตย์หนึ่งเรียนวันวันละวันละครั้งหนึ่งวันพระหัสนะวันพระหัดครั้งหนึ่งนอกนั้นก็เป็น สองวิชานั้นพุถธชนประศินกับสรค่าสร้างคนสลับกันไปก็เป็นห้าวันในอาทิตย์หนึ่งส่วนวันอาทิตย์เันเสาร์นั้นก็ค่อยว่ากันไปมันสลับกันนะวันพระหัตก็เป็นวันของนักเรียนเขามันลงตัวได้ก็วันพระหัตก็เป็นเรื่องนี้ส่วนพวกเราอันวอนบอกรก็ สลับกันไปเรื่องความรักนี่นะทางาศาสนาอื่นเขาไม่มีความรักแบบโลกุตระเขาไม่มีความรักแบบโลกุตระเขามีความรักแบบทุตัวไปหมดเพราะว่าเขาเห็นว่าความรักเนี่ยเขาพอเข้าใจนะว่าความรักเรื่องที่มันเกี่ยวกับที่มัน มันไม่ดีบ้างมันไม่อะไรบ้างแม้แต่แค่ความรักในด้านกามเนี่ยเขาก็พอรู้นอกจากพอรู้แล้วเขาก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเลิกเพราะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเขาแยงจนถึงกขนาดว่าถ้าความรักเรื่องกามเรื่องเพศโดยเฉพาะเพศคู่ถ้าไม่มีซะแล้ว อ้าวโลกมันก็ศู์พันธ์หมดีินั่นเขาไปว่านน่นเลยไม่มีอย่างนี้โลกก็สูญพันธ์หมดสิซึ่งที่จริงแล้วมันไปนไปไม่ได้นะโลกจะศู์พันธ์ไไม่ได้มีป่าคนมาแย่งอัตมาเรื่องนี้เอ้ยสอนเรื่องนี้มันผิดธรรมชาติมันผิดเรื่องของโลกนิดเรื่องอะไรต่ไรมันไม่ได้หรอกมาสอนเรื่องให้เลิก จงกระทั้งมันมีมีไม่ ม, ม, มีได้ไงมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเขาไม่เชื่อนันหนึ่งสองมันพิดผิดหลักเรื่องของความเป็นมนุษย์โลกไม่เลิกมันทำไมถ้าเลิกมันก็ศูนพันมาสิสัตว์โลกอาตมา ก, ก็ต้องมาเลยพูดว่าเอางี้ก็แล้วกันว่าคนหรือสัตว์เนี่ย จริงสัตว์มันไม่รู้เรื่องมันต้องเป็นสัญชาตญาณของมันแต่ของศาสตร์สนาพุทธเนี่ยเข้าใจถึงโทษภัยของสิ่งเหล่านี้และชัดเจนว่ามันเป็นกิเลสถ้าไม่ล้างไม่ละไม่ลดมันก็จะเป็นเชื้อของกิเลสไปอยู่มันไม่สิ้นเกลี้ยงได้นมันไม่ง่ายหรอกนมันไม่ง่ายหรอกที่จะลดแต่ลดได้จริงๆลดแล้ว ไม่เกิดภัยเกิดโทษเลยลดได้แล้วไม่เกิดภัยเกิดโทษโทษต่อตนต่ อ, ต อ, ตอสังคมด้วยนะถ้าจริงๆแล้วาศาสนาพุทธนี่ฝื้นธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาตาิอย่างพวกอาจารย์ใหญ่ๆของทางาศาสนาพุทธมากมายบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมาก็บอกว่าไม่ใช่ธรรมะของพุทธไม่ใช่ธรรมชาติธรรมะของพุทธนั้นต้องรู้ รู้จักธรรมชาติแล้วเลิกชาติให้เหลือแต่ธรรมเลิกการเกิดชาติปิดทุกขาการเกิดไม่ว่าใดๆทุกทุกทั้งสิ้ น, นยิ่งเป็นความรักแล้ว โ, โหรักหนึ่งทุกหนึ่งรักรอยทุกรอยรักลานทุกลา น, นารักลดลงมาลดลงมาดักเกาสิบรั ก, ก ลดตรง80บก็ทุกน้อยลงเหลือสามเหลือหนึ่งก็ทุกหลือหนึ่งไม่มีเลยก็ไม่ทุกเลยอ่านี่เป็นของพระพุทธเจ้าเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้อัตมาว่าเป็นไปได้แต่มันยากนะแต่มันยากอยู่แต่ได้แล้วได้แล้วมีแต่คุณไม่มีโทษนะไม่มีโทษจริงๆถ้าทําถูกต้องสมาธิิ เป็นคุณต่อตนเป็นคุณต่อโลกด้วยนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้อย่างที่ว่าเป็นได้หมดสัตว์โลกหรือแม้แต่มนุษย์ก็สูญพันอัตามาก็เอางี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณอย่าไปกลัวเลยว่าจะสูลพันเพราะมันไม่ง่ายบอกแล้วเอาคุณนั่นแหละมาก่อนมาปฏิบัติก่อนคุณน่ะนะมาลดมันละ ก, ก่อนนะ ถ้าคุณทําได้แล้วจริงๆแล้วนะคุณจะรู้ว่ามันไม่ไม่ศูนย์พันหรอกมาก่อนมามาไม่หรอเอามามามาเขบอกว่าไม่เอาเอา้าวเห็นไหมคนก็ยังไม่ได้แล้วอะแล้วมันจะเป็นหมดโรคได้ยังไงอขนาดบอกว่าคุณมาสิคุณยังไม่มาเลยอะแล้วจะไปพูดทําไมมีแต่นคนที่ไม่ได้ยินไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยเนะี่ยเขาจะไปไม่เป็นตัวเชื้อที่จะเพาะเชื้ออยู่ในโลกนี้มันแพร่จะเต็มโลกจนจนวันนี้มัน พันล้านกันไปแล้วนะตั้งแตง่ป้องกันกันมโโหเมืองจีนต้องกำหนดกันว่าห้ามมีลูกเกินหนึ่งคนนั่นผิดกฎหมายเลยนะถ้ามีเกินอะไรเงี้ยโอ้ทึกขนาดนั้นเลยแล้วมันก็ไม่ทาวาเราไมนมีทฤษฎีที่สามารถลดละได้อย่างสมา ธ, ธิมันเป็นภัยด้วยเป็นโรคจิตเอาเลยถ้ามันไม่ ถูกต้องตามศัจธรรมนะทางศาสนาอื่นๆนี่เรียนรู้ความรักดรวมแต่เขาก็พอเข้าใจโดยปริยายโดยปฏิพานว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นคือความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่รู้รักบวญมนุษยชาติหมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งนะแต่ก็ไม่ชัดว่าความรักทั้งกล า, างทั้งอะไรกั ก็พอรู้จึงมีผู้ที่มีปฏิพานปัญญาสูงก็ไม่มีเรื่องนี้แม้ในศาสนาในระดับศาสนาอย่างศาสนาคริสต์ก็ไม่มีก็ถืออันนี้ได้ส่วนศาสนาอิสลามศาสนาหลายๆศาสนานั้นไม่ไม่ไม่ไมไมเลิกละเรื่องกามซึ่งอัตมานับเป็นมิติที่หนึ่งโดยซ้าไปนะเรื่องกามเรื่องเพศเนี่ยเรื่องคู่เนี่ย สมุทรเจ้าก็ยอมให้อนุโลมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายถือศีลห้าก็ถือว่าเอากิเลสระดับอื่นก่อนระดับเพศก็พวเดียวเมียเดียวนี่ถือว่าศีลธรรมละจริยธรรมละพวเดียวเมียเดียวเนี่ย ย, ย, ย, ย, ยังมีส่วนของกิเลสที่จะต้องให้เหมือนกับคนติดฟินเนี่เอาแล้วก็ต้องให้มันขนาดนี้ก่อนจะให้มันเลิกหักดิบเลยเนี่ยมันตาย ช็อปตายหมดนะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เลยต้องอนโรโลมสี่ห้ามีผั 5, วเดียวเมียเดียวยาพิษอะไรนี้เป็นต้นนะต่อจากนั้นไปจึงเลิกเรื่องมีทุนหรือคู่ผัวตัวเมียเรื่องเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วการมันไม่ได้หมายความแค่เพศมันหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เ, เรื่องของสมบัติเสศสีสศ ส, สีทั้งตาสศสีทั้งหูสศสีทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งหมดแล้วก็เกิดอุปทานว่ามันสุขสุขตามตัวเองตั้งตั้งสเปกตั้งกําหนดอย่างนี้ต้องดังนี้ต้องได้ย่างนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้ต้องอะไรต่างๆไอ้นิพูทรศัพท์ใหญ่ๆ เย็นร้อนอ่อนแข็งในสับ ก, กลางๆใหญ่ๆเท่านั้นนะจริงๆแล้วมันก็มีนัยยะที่ลึกซึ้งมาก้ายนัยยะมุมเหลี่ยมก็มันเพระันศา ส, สนาพุทธจึงรวมเรื่องของเมถุนด้วยแล้วถึงไล่มาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่ ไม่ได้ห่างการสอนว่าจริงๆแล้วเรื่องเพศก็ตาหูจมูกลินกายสัมผัสทั้งนั้นตากระทบรูปก็เกิดกามหูกระทบเสียงก็เกิดกามจมูกสัมผัสกลิ่นก็เกิดกามลิ้นสัมผัส ก, ก็เกิดกามทุกส่วนของร่างกายโพธิภพสัมผัสแต่ต้อง ถูกเศษซีก็เกิดกามได้ทั้งสิ้ น, นความรักอาตมาจะอธิบายรวมๆก็คร่าวๆให้ฟังก่อ น, นเดี๋ยวค่อยไปจําว่ามิติที่หนึ่งชื่ออะไรมิติที่สองชื่ออะไรมิติที่สามชื่ออะไราอาตมาจะเล่าว่าอาตมาเกิดความรู้อันนี้ ตั้งแต่พศ อ, อ, อะไรอ่ะพศ17ึ่งเห้าไปไปที่เชียงใหม่ก็ให้ไปบรรยายเดินกำลังเดินทางไปบรรยายก็คิดเออเราเจอบรรยายเรื่องอะไรดีก็คิดได้เออมันคิดมันก็ขึ้นมาเองมันมีของตนเองมันมีความรู้พวกนี้อยู่แต่ปางไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มา น, นั่งเขียนนั่งเรียบเรียงนั่งพล็อตกันจนกระทั่ง เป็นเรื่องเป็นรา ว, วเราไม่ได้โนต้ตเนิร์ดอะไรด้วยจําแต่ก่อนนี่ยังความจํำพอใช้ได้เดี๋ยวนี้ความจํำลดลงไปเยอะก็เลยว่าเออความรักสิมิตินี่ถ้าเข้าทีมันก็ขึ้นมาพุทก็เลยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรยายแล้วเออดีแฮะบรรยายเสร็จแล้วดีก็ทีนี้ก็ทางวิทยาลัยครู เขาก็นิมนต์บรรยายอีกก็เลยเอาอันนี้ไปบรรยายซ้ําอีกความรักสิมิติไปบรรยายซ้ําที่มีอะไรครูที่เชียงใหม่นั่นอีกสองครั้งบรรยายสองครั้งแล้วเขาก็เลยเอามาถอดเทปบรรยายแล้วก็มีคําถามจากนักเรียนนักศึกษาด้วยเขาก็ถามก็ตอบเพราะฉะนั้นเล่มแรกนี่จึงเป็นเล่มที่ถอดเทปออกมาจากบรรยาย ทั้งคำถามคำตอบตอนท้ายด้วยเอามารวมไว้เป็นหนึ่งเล่มแล้วก็พิมพ์เผยแพร่มาในเรื่องนี้ตั้งแต่ปีอะไรพิมพ์ครั้งแรกในเทศเท ศ, เทศพศ2517พิมพ์ครั้งแรกพศ18ครั้งที่หนึ่งหมื่นเล่มกันยายน2518ในครั้งที่สองที่สามที่สี่ ครั้งที่งมื่นเล่มอันิครั้งที่3ามห้พันเล่มส5 2 4ก็ส่ครั้งที่สี่มืเล่มอีก2524าอครั้งที่58ดพันเล่มตุลาคม2องพอเหมือนกันซ้ํา24เนี่ยโอ้โหต้องสครั้งเนี่ยพศยเนี่ยพกับหมื่นนึงกับ8 2ดสองหมื่หม่าเนี่ยพศสอพศ28ดอีกหมื่นเล่มพศ สาสองอีกห้าพันเล่มปศสี่สองอีกสองพันเล่มเป็นแปดครั้งแล้วตมาก็เลยเห็นว่าเอ้มันน่าจะทําให้มันดีๆเรียบเรียบเรียงขึ้นใหม่อีกเรียบเรียงขึ้นใหม่นี่ก็ได้ได้เล่มนี้มาเป็นการจัดเรียบเรียงขึ้นมาเลยเขียนโดยตรงอันนั้นมันบรรยายแล้วก็ถอดเทปทีนี้เขียนเป็นเล่มเลยเป็นความนักสมิติเสร็จ พิมในปศ 2,544 ตอนแรกก็ 5,000 5,000 เล่มไม่รู้ว่าพิมพ์อีกป่านนี้มันเล่มครั้งที่หนึ่งไม่เห็นมีครั้งที่สองนะก็เผยแพร่มาจนตั้งป่านนี้รวมแล้วก็รวมแสนเล่มนะเรื่องความรักสมิตินสองอันเนี้ยรวมแสนเล่มหลายหมืน่น นี่คือความเกิดขึ้นของความทฤษฎีความรักสิบมิติทีนีความหมายของมั น, นในความรักสิบมิติอัตมาก็นับตั้งตนตั้งมิติที่หนึ่งมิติที่หนึ่งเรียกว่ากามนมนิยมกามมนยม หรือเมถุนนิยมนะเมถุนแปลว่าคู่คนคู่าการมณิยมหรือเมถุนนิยมคนคู่มิติที่สองเรียกว่าพันพันทุพันพืชพันเนี่ยพันทุพันสืพันกันต่อมาเนี่ย มิติที่สองพันธุหรืออะไรปิติปุตตานิยมปิติปุตตอิตะปุตตาปิตะคือพ่อปุตตาคือลูกพอลูกพันธุนิยมเนี่เป็นปิติปุตาปตานิยมมิติที่สามยาตินิยม หรืออะไรโคตรนิยมโคตรมิติที่สี่ชุมชนนิยมหรือสังคมนิยมมิติที่4นีคอมมิวนิสต์ในระดับเนียระดับสังคมนิยมมิติที่ห้าชาติชาติชาตินิยมหรือชาติหรือรัฐรัฐนิยมหรือชาติชาตินิยมหรือรัฐมนิยมมิติที่หก สากล น, นิยมสากล น, นิยมหรือจักรวาลนิยมนะสากล น, นิยมรหรือจักรวาลนิยมมิตนะิที่7เทวนิยมนะมิติที่เนี่เทวนิยมหรือปรมาตตมันนิยมเทวนิยมหรือปรมาตมันนิยมมิติที่8ปดนมิติที่8 อเทวนิยมหรืออาริยนิยมอาเทวนิยมหรืออาริยนิยมนิติที่เกนิพพานนิพพานนิยมหรืออรหัตอรหันตานิติที่เกนิพพานนิยมหรืออรหันตานิยมสมวมิติที่สิบนั้น พุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมพุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมบทที่สินี่คือชื่อตอนแรกที่บรรยายที่เชียงใหม่นะั้นมีอันแรกมีกามนิยมน่ะ กามนิยมพันธุนิยมยาตินิยมสังคมนิยมชาตินิยมไปเรื่อยๆสากลนิยมเทวนิยมอะเทวานิยมไปอย่างนั้นตอนหลังอาตมาที่มาเติมเติมเมทุนนิยมปิตตบุตตานิยมโคตรานิยมชุมชนนิยมนรัฐนิยมอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นคู่คู่คู่คู่เพื่อให้มีความหมายได้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นชัดขึ้นไปก็เลย ต่างเพิ่มขึ้นไปเพราะงั้นเราก็จะจำยากขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเข้าใจสาระมันก็ก็คงจะพอจำได้นะมันยากนักแต่ถ้าเผื่อว่าศึกษาดีๆเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่ามันหมายถึงลักษณะที่เราเรียกว่าภาษาเรียกว่าความรักนี่แหละมันรักอย่างมีกิเลสกับกิเลสเนี่ยมันเห็นแก่ตัวกับความ ลดความเห็นแก่ตัวมันเป็นความรักที่เอื้อมเอื้อเกื้อก้างออกไปสู่สู่ความมากขึ้นไม่งั้นมันแค่ยังเมตุนิยมหรือกามนิยมคู่แรกเนี่ยมันรักเฉพาะมีเธอกับเราสองคนอัตมาไม่เริ่มต้นด้วยอัตตนิยมอัตตนิยมคือนิยมตัว ก, กูของกูคนเดียว ถ้าจะบรรยายอันนี้แล้วมันก็คือพุทสีพุทธสีเนี่ยอัตตนิยมซึ่งมันเริ่มต้นก็จะยากอัตตนิยมอัตมา ก, ก็เลยไม่เอาเพราะว่าถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยมันคลุมหมดเลยว่าทั้งหมดนี่แหละนะเรียนรู้ตามหลักความรักของพุทธะนเริ่มต้นที่ชื่อชื่อนะชื่อเริ่มต้นที่มิติที่แปนะชื่อของพุทธ ของแบบพุทธเนี่ยเริ่มต้นที่มิติที่8นะมิติที่8อัเทวนิยมแต่ของอมิติที่เจนั่นเทวนิยมของทั่วไปนะประมัตตมันนิยมหรือเทวนิยมมิติที่เมิติที่8ปนี่เริ่มอเทวนิย ม, มของพุทธ อเทวานิยมก็คือรู้จักอัตตาเนี่ยปรมาตมันที่เป็นมิติที่เจ็ดเนี่ยก็คืออาตมันปรมาตมันอาตมันหรืออัตตานั่นแหละบรมอัตตาเพราะฉะนั้นตะเพอวารียนรู้ตั้งแต่มิติที่หนึ่งมันก็คืออัตตาที่ให้กิตัวจัดที่อัตมาบอกแล้วว่าเมื่อกี้ว่าอาตมาไม่เริ่มตั้งแต่อัตตนิยมคือพวกษีพวกอะไรเนี่ย มันก็คือเทวานิยมที่เห็นแก่ตัวจัดที่สุด อ, อัตตานิยมมันไม่เอาอะไรใครทั้งนั้นนะ อ, อย่างพวกที่เห็นชัดเจนพวกที่คำพรพวกเชนที่ไม่เอาอะไรเลย้าก็ไม่นุง่งไม่เอาอะไรสักอย่างโกนหวมยังไม่โกในถอนเน่เาไม่พึ่งอะไรเลยเถ้าเป็นเอาให้จริงให้แน่มันน่าจะทำอย่างพี่ตองเหลืองใช้ใบตองรองกับ ข้าวกินนยังมีภาชนะอันหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่อาหารวะไม่แน่จริงในหว่าถ้าแน่จริงก็เลียเอาเลยเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเลยทีเลียเอากระพื้นเลยทีไม่แน่จริงนะเนาะก็มีภาชนะหนึ่งชิ้นเขาก็น้อยนะเขาชทุกคนละชิ้นตัวนั้นนะใช้สารพัดเลยภาชนะหนึ่งชิ้นเนี่ยสารพัดประโยชน์ของเขาเลยอ่ มันเกินไปแต่จริงๆอัตมาว่ามันไม่ต้องเพราะว่าถ้าเข้าใจตั้งแต่มิติที่สองไปถึงมิติที่เจ็ดนั่นแหละคือปรมาตามันคืออัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้านี่เรียนรู้อัตตามาแต่จะเริ่มต้นเรียนเมธุนิยมมิติที่หนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงมิติที่เจมันก็ครบอัตตาแล้วไม่ต้องไปเรียนอัตตนิยมอัตตาตัวแรกเลย ไม่ต้องเรีย น, นก็เรียนอันนี้แหละลางไปตามลำตามลตามลำลลจนคุณสมบัติของความรักมันเอื้อมเอื้อเกื้อกว้างจริงเป็นพระเจ้ามาเป็นปรมาตตามันเป็นพระเจ้าเป็นเทวะเทวยิ่งใหญ่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ หรือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปรมัตตมันก็รักจริงๆไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่มวลมนุษยชาติเห็นแก่สตัตว์โลกเห็นแกนแ่ทุกสิ่งทุกอย่างในรักทุกสิ่งทุกอย่างรักหมดทั้งดินน้ำไฟลมรักหมดจักรวาลใ น, นรักทั้งจักรวาลเลยทุกอย่างความรักกึ่ก ว, า ว, า ว, า ว, าวา้างั่นจริงๆก็เขาเขาเข้าใจโดยปริยายเขาก็ปฏิบัติตนให้เกิดคุณลักษณะแบบนี้กันทั้งนั้นะทุกาศาสนา แต่ลงไปถึงสมุทัยของจิตหรือเปล่าเพรา ะ, ะโดยเหตุโดยตักกะโดยตักกะโดยเหตุผลเข้าใจแต่โดยสภาวะที่เป็นตัวจิตจริงๆเป็นตัวประธานหรือเป็นตัวจะรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็เป็นการขยายความรักออกไปสู่มวลมนุษยชาติอย่างนี้จริงๆจาก เริ่มต้นตั้งแต่มิติที่หนึ่งเรื่องกามเรื่องสมสูตเรื่องเห็นแก่ตัวขนาดในโลกนี้มีแต่เธอกับเราสองคนเท่านั้นและไม่ อ, อยากให้ใครเป็นคนที่สามเลยนี่เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวในระดับที่อาตมาหยิบมาให้เรียนรู้จิตตัวที่มันเห็นแก่ตัวอย่างนี้ เป็นคู่แรกนะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกนะรักอย่างไรมันก็รักอย่างสุดท้ายมันก็จะมาสมสู่เพื่อที่สืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์นะถ้าสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุน์จริงๆมันก็ไม่หนักไม่หนาเหตุการณ์นิยายในโลกมันก็ไม่วุ่นไม่ยงไม่ยาก มันสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็สืบพันธุ์มันก็มีห่วงแหนแตามันก็เริ่มต้นมามีคู่มีเพอมีห่วงของตนของตนอะไรมันก็มีตามฐานะของสัตว์ที่มันก็พัฒนากิเลสของมันเหมือนกันเพราะคนนี่ยิ่งยิ่งกว่าสัตว์นะยิ่งกว่าสัตว์ห่วงแหนเห็นแก่ตัวจัดจ้านทําร้ายทําลายกันหนักยิ่งกว่าสัตว์ ทำรายทำรายกันหนักยิ่งก็สัตว์ก็เป็น oh. นิยายของโลกบาโอโหยืนยาวนานมามากมาไม้เมื่อสามารถเรียนรู้แล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้รสอร่อยในการเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่จริง รสสุขมันไม่จริงรสอร่อยมันไม่จริงอัศทะมันไม่จริงมันเป็นของเท็จพิสูจน์อย่างสมาธิได้มันจะจางคลายจางคลายแล้วมันก็จะดับซึ่งมันไม่ดับง่ายหรอกเพราะมันเป็นมาตั้งแต่พวกเราสั่งสมมาตั้งเป็นสัตว์เดริชานเรื่องเมทุนเนี่ยเรื่องครูเรื่องเพศเผชสัมพันธ์ สืบพัน์เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เชื้อชีวิตตั้งแต่เป็นสัตว์ชั้นต่ํามาจนกระทั่งถึงสัตว์มาเป็นมนุษย์คิดดูสิมันสังสมมาขนาดไหนมันจึงไม่ง่ายแต่ถึงมันจะยากอย่างไรมันก็สามารถลดกลางเลิกละไม่มีเป็นที่สุดได้แล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่า เออมันเป็นเท็จมันไม่มีอารมณ์น้นจริงๆหรอกนะมันไม่มีเพราะงั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องที่ยากมีคนตะแบงเอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสอนว่าในในสายพุทธนี่แหละมีการตะแบงไม่รู้อาจารย์คนไหนหาเรื่องก่อบาปไปตะแบงว่า มันต้องทำให้เกิดเบื่อน่ายจะเบื่อนายต้องสมสู่ให้จัดสมสู่ให้หนักเลยจนมันเบื่อนายซึ่งไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนมันไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสามอย่างสิ่งสามอย่างไม่มีการอิ่มการเต็มไม่มีการพอหนึ่งเมถุนสองการนอนการหลับ สามความเมามัจฉะสามอย่างนี้ไม่มีวันอิ่มวันเต็มนี่คือคำสอนพระเจ้ามีหลักฐานยืนยันอาตมาก็ไม่ได้คนมาด้วยวันนี้ว่าอยู่ในเล่มไหนนะเพราะงั้นในสามอย่างนี้เป็นคำสอนพระเจ้ายืนยันและไอ้ที่ตะแบงไปเทศเดบอกว่าต้องเสห้จนเบื่อนายมันจะจบ ติแบบนี้ตะแบงอยู่ในพุทธก็มีนะมองาเป็นของวูชาสอนโ อ, โอ้อุตริไม่ใช่อุตตริมนุษยธรรมนะอุตริมันมาเป็นภาษาไทยซึ่งเขามาใช้เป็นสแสดงนะอุตริมันยอดสุดเขาไปอุตตริมนุษยธรรมมันยอดสุดพอมาเป็นสแสดงเป็นภาษาไทยนะอุตริเนี่ยมันเป็นเลวสุดมันตะแบงสุดมั น, มน เ, ลเลวร้ายไปอีกอย่างเป็นคําภาษาประชดของ ไทยเราเอามาใช้นะที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่พูดตามตำราแต่จะพูดโดยไปเข้าใจไปเห็นในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาพูดพรนะพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในพระจรบมปดกเล่มหนึ่งเลยวินัยปิดกข้อยี่สิบ บอกว่าเรื่องเมถุ น, นี่เรื่องผู้หญิงผู้ชายคนคู่นี้มันเป็นเรื่องของปุถุชนหรือชาวบ้านทั่วไปสัตว์โลกทั่วไปเรียกว่าคาหมะธรรมมังเป็นเรื่องของพฤติกรรมอือจะเรียกพระพ่อในว่ามารยาทเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนชั้นต่ํา เมทุนนี่คนยังมีเมทุนอยู่นี่เป็นพฤติกรรมคนชั้นต่ำนะท่านตรัสไว้ว่าลักษณะมีสมข้อใหญ่นะข้อที่สามนี่ตีหัวเข้าบ้านเลยเป็นเรื่องชั่วยาบถดทุนลังเรื่องเมทุนเนี่ยในวินัยเลยข้อวินัยเล่มหนึ่งเลยข้อ20นะ่สบลักษณะสมอย่างของเมทุนเป็นเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่อง สัตว์โลกทั่วไปเป็นเรื่องปุถุชนทั่วไปคา ม, มัดทมังเป็นมารยาทคนชั้นต่ำนื่เป็นความประพฤติของคนชั้นต่าที่จริงไม่เป็นมารยาทเลยซ้าไปมารยาทคนเรายังฟังดีนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูมือนต้องาระมัดระวังให้ดีหน่อยมารยาทเป็นการสํารวมระวังให้ดีแม้จะมีกิเลสก็กดก็ข่มเอามันญาติของคนชั้นต่า มัสละธรมม่งอันที่สามนี่ทุบหัวกระบาลเข้าบ้านเลยเป็นเรื่องชั่วหยาบเป็นเรื่องของสิ่งทั่วสิ่งหยาบต่ำเลยทุดทุนหลังทุดทุนหลังทีนี้มาขยายความขย้ายความไปวันนี้ทั้งวันน่ะ ชั่วโมงแรกเนะี่ยเอาการมนิยมเรื่องเดียวก่อนเพราะเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องหนักหนาของคนทั่วไปเป็นเรื่องหนักหนักเรื่องหนักหนาของคนทั่วไปรพระพุทธเจ้าจึงจำนวนอ้าวก็ให้อนุโลมปฏิบัติขั้นตน้นมีได้ นี่คู่ได้แต่อยู่ในกรอบคู่ของเราเท่านั้นอย่าเป็นนอกใจอนอกกายนะ่ไม่ได้อยู่แล้วแม่ใจคุณก็จะต้องยายาถ้ามันเกิดอาการคุณต้องสงวนสํารวมและก็พิจารณาลบปฏิบัติตรงนี้กายเนะี่ยมันต้องได้ก่อนแล้วถ้ากายไม่ได้ก่อนนั่นก็เหอะ เกิดเรื่องข้ากันแกล้งกันขึ้นสารกันผิดแม้แต่กฎหมายเขาก็ออกนะอย่างศาสนาศาสนาคริสต์ดูมันเขาจะมีอยู่นะศาสนาที่แกล้งสารศาสนาคริสต์เขาบอกไม่ได้แต่งานต้องพดเ ด, เดียวมีเดียวเหมือนกันศาสนาคริสต์เขาก็มนะีส่วนศาสนาอิสลามนะให้ทั้งสี่คนไม่รู้ท่านคิดยังไงก็ไม่รู้ท่านแต่ก็มีแนวคิดของท่านนะ ให้ผู้ชายมีเมียได้สี่คนแต่ผู้หญิงไ ม, ไม่ไม่ทำไมไม่ให้มีสา ม, มีสี่คนด้วยล่นะนะเออเออก็ไม่รู้เอาละพอไม่ต้องเป็นจิจาร์ดังโนนเราก็ว่าของเราไปการปฏิบัติทีนี้นะการปฏิบัติเมื่อเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องมีศีห้า สังวรระวังจริงๆศีลหน้าไม่ใช่ศีลที่จะต้องอยากปฏิบัติถึงค่อยปฏิบัติเป็นศีลของมนุษย์ทุกคนพื้นฐานเลยของชาวพุทธเพราะศาสนาพุทธนั้นถือเอาอาริยบุคคลเป็นขั้นตน้นอาริยบุคคลถือว่าคนประเสริฐถือว่าคนเจริญศาสนาคนเจริญศาสนาอาริยชน ไม่ใช่ศาสนาปุถุชนแล้วคําว่าอาริยชนเอาตรงไหนเอาตรงไหนอาริยชนเนี่ยเอาตรงโสดาปฏิมักเริ่มต้นโสดาปฏิมักโสดาปฏิมักคือยังไงโสดาปฏิมักก็คือรู้จักจิต เจตสิกอ่านต้องพยายามฝึกฝนวิธีปฏิบัติเมื่อถือศีลห้าและปฏิบัติวิธีปฏิบัติของพระเจ้านั้นคือมีผัสสะเป็นสมุดไทยเป็นเหตุเหตุของมักนะน่จะเหตุอริยสัจสี่เป็นสมุดไทยของอริยสัจสี่นั้นเจอตำถาเลยแต่เหตุของภาคมักปฏิบัตินี่มีผัสสะ ถ้าไม่มีภัรษาไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมีภัรษาจริงเลยเมื่อภัรษาแล้วโดวยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมีใจเป็นตัวไปด้วยตรงนั้นน่ใจนี่พอตากระทบใจหรือวิญญาณมันก็เกิดหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบสัมผัสเยษสีท้งทุกส่วนของร่างกายทั้งหมดมันกระทบ มันก็เกิดบิญญาณหรือเกิดใจทั้งนั้นแล้วจัดการกับตัวนี้มณสิกการทากับใจตัวนี้หนึ่งรู้ให้ได้ว่าเมื่อมันกระทบสัมผัสแล้วมันสังขารฟังดีๆนะีอธิบายการรมแล้วนะอธิบายเข้าไปถึงกระบวนการของมันจะเป็นตัวสัตว์กามกามมสัตว์มันเป็นตัวยังไงกามมสัตว์เนี่ยหนวดมันยาวและลายหนวดมันประมึกหมอะไรเงี้ย ฟังนี่ดีพอสัมผัสแล้วจะสัมผัสทางๆหูจมูกดินกายสัมผัสก็ตามมันก็จะเกิดวิญญาณเป็นวิญญาณสัตว์โอปปาติกสัตว์สัตว์ทางวิญญาณเกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บนะปรุงแต่งขึ้นมาจัดการมันเองอัตโนมัติเลยอวิชามันจะเกิดสังขาร ความไม่รู้ไม่ได้เคยเรียนไม่ได้เคยศึกษาเนี่ยมันก็มันก็ไปไปตามอาวิชชาคือไม่รู้สังขารคือนั่นแหละมันก็ปรุงเป็นอาการปรุงแต่งขึ้นมาอันนั้นนะไอสังขารนี่แหละมันจะมีทั้งความอยากมันจะมีทั้งได้แสวงหาแล้วก็ได้สัมผัสได้สมใจนะแล้วมันก็สุขก็ทุกข์พอได้สัมผัสสัมผัสแล้วได้สมกับที่มีตัว ตัณหาอุปทานที่เป็นตัวร่วมอยู่ใ น, นก ร, ระบวนการกระบวนการข้อปฏิจสมมอบาททั้งหมดเนี่ยพอผัสสะแล้วก็มีเวทนามีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติเนี่ยมันก็จะเกิดเลยจะเกิดเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์ตัวที่ปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นมันเรียกภาษาแยกดิฟอันหนึ่งว่าเวทนาหรืออารมณ์หรือความรู้สึกมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีสมอย่างในสังขาร อาการสังการที่ปรุงแต่งนั่นคืออะไรก็คือวิญญาณก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชาไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ไม่เคยใช้อาวุธเครื่องมือเจ้าเรียกว่าอาวุธไมน่น่าจะเรียกเครื่องมือเครื่องมือในการปฏิบัติก็คือใช้สัญญา เจตสิกสาของเรามีเวทนามาเกิดปรุงแต่งเป็นสังขารหรือเป็นเวทนานี่แหละสังขารหรือเป็นเวทนาเนี่ยซึ่งรวมแล้วก็คือวิญญาณเพราะตัวสัญญาเนี่จะเป็นตัวกําหนดเองด้วยอวิชามันก็ไปกําหนดตามคําสั่งของอุปทานซึ่งมันไม่รู้นะมันอวิชามันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็รู้ไปตามภาษาสัตว์นรก ตอนนั้นมันไม่ได้มีเป็นความเป็นฉลาดเฉลิมันไม่มีวิชาอะไรมันเป็นสัตว์เดรัจฉานธรรมดามันก็จะเอาแต่เสพไม่บ่มเริมความสุขตอนนี้เรากำลังจากัดเงื่อนไขลงไปว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องกามรรมการมารมระหว่างเพศเป็นเพศสัมพันธ์เราพูดถึงมิติที่หนึ่งเนี่ยเร า, ากำลังจะจำกัดลงไปตรงนี้ เมื่อจำกัดลงไปตรงนี้เราก็เอาจำเพาะเรื่องนี้ที่มันเกิดสภาพนี้สภาพจะสัมผัสทางอื่นเอาไว้ก่อนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอื่นสัมผัสแตงโมสัมผัสหนังละครสัมผัส ด, ดอกไม้สัมผัสอะไรเอาไว้ก่อนสัมผัสเสียงนนเสียงนี้สัมผัสกลิ่นนนกลิ่นนี้เอาไว้ก่อนย่อยๆนะเอาไว้ก่อนเอาตัวเรื่องของเมถุนเรื่องของเพศสัมผัสธ์ยก่อน ถ้ามันเห็นแก่ตัวของคนคู่เมถุนหรือการมานิยมเรื่องของเพศสัมผัสเอาอันนี้ก่อนนะพระยนันเมื่อมันสัมผัสเกี่ยวกับเพศปับ๊บตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสยิงเนี่ยสัมผัสเสียดสีเข้าไปตามที่ได้ติดยึดตามที่เ้าเรียนรู้ตามที่สัญชาตญาณมันเคยมาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้ เป็นเองได้เองอยู่ในตัวเหมือนกันนะสัมผัสแต่ต้อ ง, อ ย, ง, อ, ยงอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสัญชาตญาณธรรมชาติไม่ได้เกิดเหตุที่มันใกล้หรือสัมผัสมันก็ปฏิบัติไปตามกิเลสสัง่งกิเลสเป็นเจ้าเรือนกิเลสเป็นนายใหญ่นั่นอาวิชาพระพุทธเจ้าจึงมาตั้งต้นให้ ให้เรียนรู้ตัวรวมนี่เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของวิญญาณทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะรู้วิญญาณก็คือเมื่อผัดสะเริ่มงแต่ทางตากระทบรูปเริ่มงแต่สิกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะตั้งแต่กระทบกลิ่นไอ้กระทบตากระทบรูปกระทบเสียงนี่แหละมันไกลตัวอยู่บางกลิ่นก็ไกลแต่กลิ่นมันมันะละเอียดไปหน่อย ก็เอาตากับเสียงเนี่ยเอารูปกับเสียงนี่แหละเป็นตัวอธิบายชัดๆเมื่อก็ทบรูปเห็นรูปก็โอ้ยเข้าสเปกสวยรอหรือว่าไม่รู้ละอาจจะบางคนชอบคีเลยก็มีชอบดับเมื่อกีชอบอะไรแล้วแต่สเปกของใครแต่ส่วนมากมันก็จะคล้ายๆกันตามการครอบงําสมมุติ ต้อ ง, อ ย, งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สเปคคนสวยะเปคคนหล่อต้อ ง, องนี้นีมันก็ว่ากันไปหน้าหน้าตารูปร่างโงเ่เฮงอะไรก็แล้วแต่ต้องตรงนั้นตรงนี้ยังงนอย่าง ง, างี้อะไรว่ากันไปหมดจนกระทั่งโอ้ไม่พูดเมื่อยเดี๋ยวนี้ก็สัญญากำรรกันทุกอย่าง สเปกไหนที่เขาว่ายังไงเขากำลังนิยมยังไงอย่างนั้นด้วยนะถ้าเขานิยมนี้เปลี่ยนไปไปผ่าตัดใหม่อีกโอเวนจริงๆคนมันไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่เสียงเงินแพงเขาด้วยนะไม่ใช่ถูก น, นี่กิเลสทางนั้นนะอะอาตมาไม่ถามมานั่งอยู่นี่เคยๆไปถูกไปผ่าตรงผ่าตัดมันไม่ถามากลัวอาย ตัวอายแต่ก็คงมีน้อยคนรือไม่มีเลยไม่รู้อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่เอาเถอะผ่านไปนะเพราะว่ากระบวนการของกิเลสเนี่ยกามรมณรเกิดจากอวิชชามันปรุงพระเป็นสังขารซึ่งก็คืออารมณ์ปรุงเวทนานั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้วิธีมือผรรษะแล้วอ่านวิญญาณ คนจะอ่านวิญญาณเป็นก็จะต้องมีญาณรูดนามมารูปในอธิบายปฏิจสมุตบาทนะฟังดีๆเด็กๆ ก, ก็เอจะทำไงเด็กๆมีพื้นฐานปฏิจสมุตบาทหรือ <c oughs> เอา่าเอาเถอฟังไปไม่ค่อยเข้าใจก็ฟังไปก่อนไม่เป็นไรนะแต่ไม่แน่จะไปดูถูกนะนะเด็กของอโศกนี่ทาไม่เล่นนะ อายุ7จ็ว่าปดวบก็สอบวบบบบแล้วนะท <c oughs> ี่ไม่ดีก็ได้คะแนนมากกับผู้ใหญ่บางคน้วย <c oughs> มันต้องรู้วิญญาณและต้องรู้โดยวิธีอ่านอาการลิงคะนิมิตเดยวกว่ารู้นามมารูปรู้นามมารูปราะอาการลิงคะนิมิตอุเทศ อุเทนคือคำอธิบายที่อาตมากำลังอธิบายฟังนี่คือต้องได้ยินได้ยินจากสัตตบรุษได้ยินจากผู้ที่รู้มาก่อนอย่างถูกต้องสมาธิิมาอธิบายสู่ฟังและคุณก็ปฏิบัติอานาการแล ะ, ะจํานิมิตสัญญา ก, กาหนดหมายนิมิตเครื่องหมายว่าเอออย่างนี้อาการกรมอย่างนี้อาการกามาากากา ม, มันเป็นอย่างนี้คุณคุณจะเป็นคนกําหนดเองสัญญาเองรู้เองให้มันถูก ไอ้นี้ของใครของมันเหมือนกันนอะรู้ว่าอาการนี้อาการกามมันเกิดสัมผัสเมื่อได้เกิดเมื่อไใดก็รู้ให้ได้เพราะฉะนั้นเขขยายความไปว่านามรูปมันเกิดเมื่อมีผัจจัเมื่อมีอายตนะพระเจ้าวิญญาณมันเกิดมันต้องมีสองสิ่งสัมผัสกันและก็อายตนะเกิดทันทีพอรวมกันได้พอสัมผัสปั๊บมันก็รวมกันเป็นกระบวนการสังขารที่มันปรุงแต่งปุ๊บเราเรียกว่าทั้งหมดเลยองรวมเรียกว่า กายสังขารมันเป็นองค์ประชุมรวมพึุบเลยโดยอัตโนมัติมันเป็นของมันเองทุกคนไม่ได้เรียนรู้มันก็ทำของมันมันก็เป็นของมันสัปดาแล้วมันก็เกิดปรุงแต่งปุ๊บรวมกันเป็นกายสังขารเป็นปรุงแต่งชุบประชุมกันพรุบรวมหมดเรื่องกายสังขารนี่คำว่ากายที่อาตมาพยามอธิบายเยอกว่านี้มันคือองค์ประชุมทั้งหมดทั้งรูปนอก ทั้งน้ำพางในขาดไม่ได้ขาดน้ำ ม, มาทำไม่ได้กายขาดน้ำ ม, มาทำไม่ได้ธรรมากายแม้มันจะขาดนามัมนจะขาดรูปรูปมันจะขาดมหาภูตรูปขาดตาหูจมูกดินกายขาดดินน้ำไฟลมไม่ได้ตาไม่ได้สัมผัสรูปหูไม่ได้สัมผัสเสียงคุณก็ยังสามารถมีนา ม, มากาย โดยสัญญาโดยการเอาความจำหรือกำหนดหมายเองกำหนดภาพกำหนดเรื่องกำหนดราวกำหนดฝันเพ้อไปต่างๆนานาฝันถึงคนนี่แหมเคยสัมผัสเคยเห็นเคยรู้เคยแล้วรักเขาแล้วก็ฝันสร้างวิมานแหม ได้พบกับเธอได้สัมพันธ์กับเธอได้อะไรบ้าบอไปตะพื้นตะพือสัญญาปั้นได้เองหมดและเกิดสุขก็ได้มันหลอกที่จริงมันสั่งสมความทุกข์สั่งสมสิ่งที่มันทำเองอะ่ะเคยตัวเคยชินถ้าเกิดความสุขก็เออก็เอา ฝันบ่อยฝันคิดบ่อยสร้างบ่อยสร้างเอาตามในฝันนั่นแหละใครจะฝันยังไงก็ตามใจเถอะใครเคยมาก็ว่าไปแค่ไม่เคยก็ฟังทำความเข้าใจเอาก็ก้ก็เป็นได้เป็นนามกายไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมหาปุถ ร, รุกก็เรียกกายเป็นกายยสังขารเหมือนกันหรือเมื่อ น, นั้นจะเรียกมันว่าจิตสังขารก็ได้ ทีนีกายสังขารจิตสังขารวัจีสังขารในสามสังขารนี่จะต่างกันยังไงต่างกันก็ตรงที่ว่าเมื่อกําหนดความหมายของมันแล้วมันก็จะเกิดวัดจีสังขารข้อมหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้อันนี้ดําอันนี้แดงมันก็เป็นดําแดงในการวัจีแล้วแต่ยังไม่เป็นวัจีกรรม เป็นลักษณะอะไรคุณกําหนดเครื่องหมายขึ้นมานิมิตเอานิมิตนี้อย่างนี้นิมิตนี้อย่างนี้อนิมิตนี้เรื่องนี้นิมิตนี้ชื่อว่าอย่างนี้เรื่องงี้นก็ปรุงแต่งเป็นความหมายที่ไทยก็วัจีภาษาภาษาวาจาก็เป็นภาษาไทยๆนะคนไทยถ้ารู้ภาษาเดียวมันก็จะออกภาษานั้นนะระ บ, บุถ้ารู้สองภาษาก็ได้สองภาษาว่าอันนี้ ภาษาไทยว่ า, างี้อังกฤษนี้ตรงกัน ร, รู้สามภาษาก็ว่าไปนี่อย่างนี้ภาษาจีนภาษาขเขมรภาษาอาหรับภาษาอะไรก็ว่าไปมันก็จะเกิดวัจจสังขารซึ่งวัจจสังขารนี่ไม่ใช่ข้างนอกไม่ใช่วิจกรกำไม่ใช่สิ่งที่พูดออกมาโดยการกระทาวาจาวัจี ยังปรุงแต่งอยู่ในจิตเท่านั้นยังไม่ออกมามันจงเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งเิจีสังขารเนี่ยเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งและเรียกว่ากายสังขารคือมันองค์ประชุมถ้าเรียกรวมก็เป็นกายสังขารอาะิีนี้ก็จะลงลึก เพราะพวกเรามีพื้นฐานทางการศึกษาไปบังแล้วขออภัยเด็กๆวันนี้ลรงปู่จะอธิบายลึกๆให้นักศึกษาวอนอบอนี่ฟังเข้าไปอีกผู้ที่จัดการนะจัดการกับองค์ประชุมหรือองค์รวมเนี่ยแล้วก็มีวิธีธรรมจะแยกเรียกว่าเวทนาดูทั้งหมด ตั้งแต่ว่าอ่านสุขอ่านทุกเวทนาสเวทนาหเวทนาหเวทนา18เวทนา36ยังไม่ต้องพูดถึงเวทนาร0 8แค่เวทนา36ก็แยก18 18นี่ก่อนก่อนจะเป็นเนคคัมมะก็เคหัสิตะ18นี่ก่อนก็แล้วกันซึ่งมันไม่รู้คนที่ไม่รู้ เวทนา18ปนี่แหละแล้วก็ไม่รู้เวทนา18ของเนคขมะนนี่แหละมโนปวิจาร18ที่เป็นเนคมะเนี่ะคนไม่รู้คนทาไม่เป็นหรือแม้แต่ยังไม่รู้เริ่มต้นก็ยังไม่รู้มากเลยเาืนคนจะรู้มากก็คือจะต้องรู้ว่าโอ้เนคขมมะคือออกจากกามท่านแปลงเงนมาแต่ไหนแต่ไรเลยออกจากกามมันตัวต้นตัวง่ายตัว ต้องเข้าใจเลยทุกคนมันมีมาก่อนอยากไคร่และกำลังเรากำลังกำหนดลงไปว่าตรงปริเฉดหรือตรงบริบทของคำว่าเมทุนคำว่าคนคู่คำว่าเมทุนคำว่าคนคู่เมื่อเราสามารถที่จะอ่านเวทนา ลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นอารมณ์เวทนามันเป็นความรู้สึกที่มันปรุงแต่งกันเป็นโลกเป็นโล ก, กีตากระทบรูปแล้วก็เป็นเป็นแบบนี้อารมณ์ชอบหรือไม่ชอบอยากหรือไม่อยากเพราะได้สมกับความอยากก็เกิดกามได้สัมผัสสมความอยากก็เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ชอบใจกาม ถ้าไม่สมกับความอยากหรือไม่ได้อยากอยากอยากไม่ได้ก็ทุกหรือได้สัมผัสแล้วมันไม่ตรงกับสเปกมันไม่ได้ตามอยากก็ทุกก็ทุกก็ไม่ชอบใจอิจฉาอารมณ์ชอบใจก็อิจารมณ์เพราะฉะนั้นทำอย่างไรคุณถึงจะทำให้ตัวมันเกิดอารมณ์อย่างนี้เพราะมันมีเหตุทำอย่างไรจะลดมันลง จะลดความจริงของอารมณ์นี้ของความรู้สึกนี้ลงมันมีเหตุเหตุให้เกิดเปรตธนาเมื่อจับเหตุได้ไอตัวเหตุนี่แหละคือสักกายสักกายะคุณฟังไปนี่ก็เป็นทิฐิเป็นความรู้ความเห็นที่อตมาบรรยายเป็นอุทเทนในฟังฟังไปแล้วคุณควรปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติจริงคุณจึงจะเห็นกายสักกายคือกาย สักระหรือสัตตัวตนมันแปลว่าตัวเองเห็นกายของตนเองเด็กๆก็ฟังได้ฟังดีๆตั้งใจฟังดูหลวงปู่อธิบายพงนี้เนี่ยมันเอียดง่ายๆนะมันไม่หยาบมันมันฟังตามๆดีๆใช้ปฏิภาณใช้ปัญญาฟังตั้งใจฟังดีๆจะรู้ได้ด้วยนะจะเข้าใจ พอมันเป็นมันเป็นองค์ประชุมกายองค์ประชุมของฉันเองสักะของตัวเองก็คือตัวจิตนั่นแหละมันประชุมกันจับตัวประชุมเป็นเวทนาเป็นอารมณ์สุขหรืออารมณ์อยากมันใจสัมผัสมามันก็สุขหรือมันก็ทุกข์นั่นก็กายเป็นอสุขเป็นทุกข์นี่ก็ต้องรู้ตัวอริสยสัจสตัวแท้เลยมันสุข ทีนี้เราพระพุทธเจ้าสอนว่าสุขมันเท็จนะสุขันิกะเพราะ ว, วิธีก็คืออารติปฏิเวรตินะอารติวิรติปฏิเวรติหรือเวณอบนันีการปฏิบัติศีลคือศีลข้อที่เร า, าเออเราจะปฏิบัติเมตุ น, นีเ่เราจะไม่เอาจะไม่แสบ เ, เราจะแม้มีอื่นๆโพดียวมีเดียวถ้าคนอื่นเราก็ต้องระวังอันนี้ไปสัมผัสคนอื่นเกิดอาการอย่างี้ เราก็จะต้องอ่านใจสัปัดเมื่อไหร่เกิดอาการมันก็จับตัวสักกายให้ได้เมื่อคุณมียานอ่านสักกายได้พลนสักกายยะทิฐิทิฐิแค่รู้มาตามปริยัติตามบัญญัติตามคาอธิบายอุเทศพอมาปฏิบัติจริงอ่านเจอจริงอ่านอาการของอาการลิงคณิมิตที่เป็นจิตเจเ ต, ตสิกถูกรู้โดยเราเป็นรูปถูกรู้อาการนั้นเป็นนามธรรมนา ม, มากาย มันเป็นสักกายของจิตตาเขาสัมผัสอยู่นะปฏิบัตินี่ปัจจุบันหลัดหลัดนโะมพุทธเจ้าจนสอนไม่ได้คุณพากไปไ ป, ไปหลไม่ใช่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เลยแล้วมันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้เลยอ่านเดียเด๋ยวนี้เราฝึกเดี๋ยวนี้ในี่วิธีสร้างชาือสร้างสมาธิของพระพุทธเจ้าลืมตาได้มัดเจ็ดอง ในขณะที่มันมีทั้งความคิดมีการพูดมีการกระทำทุกอย่างมีการงานทุก อ, อย่างเลยกำลังมีสัมผัสแต่ต้องเรื่องราวอะไรที่สัมผัสสัมพันอยู่กับสังคมธรรมชาติธรรมดานี่แหละเราก็กำหนดรู้ว่าอันนี้มันเรื่องเพศอันนี้มันกำหนดสัมผัสเรื่องเพศเรื่องเพศคู่เรื่องเพศผู้หญิงผู้ชายเฉพาะเรื่องนี้ เพราะมันสัมผัสแล้วมันเกิดอาการพวกนี้มีสติสัพพัญญาปัญญารู้ให้ทันแล้ววิจัยให้ทันทีเลยวิตกวิจารณหรือวิจัยวิตกวิจัยวิจารแล้วยังไม่ถึงหรอกวีมุติวิจักวิจาระคือพฤติกรรมวิจัยคือแยกแยะพฤติกรรมอย่างไรเรียกว่าตัณหาเห็นตัณหามันให้ได้อานการเพราะนั้นวิธีปฏิบัติของท่านให้อรติ ปิอาราัรติวิรติปติวิรติคือเวน้นอา้อาวอย า, าจะอยากไปสัมผัสอ่ารู้สัมผัสก็สังวรสำรวจมินซีเราอ่านให้ท่านอ่านแล้วก็วิจัยวิตกนี่คือดำบบิออกมาแล้วคุณก็วิจัยทันทีจนเห็นพฤติและแยกพฤติได้วิจัยแยก แยกจนเห็นพฤติของอันนี้ตัวนี้แหละคือตันหาคือความใคร่คือกามกามเนี่ยเป็นคำใหญ่รวมทั้งตันหาก็กามอุปทานก็กามแต่อุปทานรู้ยากเพราะมันเป็นพลังงานสักมันเคลื่อนตัวออกมามีบทบาทออกมาดิน้นออกมาเป็นลีลากรามมันเป็นตันหามันก็จะรู้ตัวนั้นแล้วก็ ลดตัณหาแล้วกำจัดตัณหาได้อุปทานก็ลดลงด้วยภพชาติก็ลดลงด้วยเองอ่ะเพราะตัณหาจึงเป็นตัวกลางของอริยสัจสี่เป็นสมุดไทยที่ตัวจะกาจัดตัวนี้ตัวสำคัญเลยพอรู้ตัวนี้ได้แล้วก็จัดการตัวนี้เรียกว่าอภิสังขารจัดการอภิสังขารตัวนี้คือการจัดการจัดการบุงปุญญาภิสังขารชำระกาจัด ประหานปหานะปะหานกำจัดปุณาติชำระทีนี้วิธีชำระวิธีประหารหกดข่มมันก่อนไม่ให้มันออกไปละเมิดไม่ให้ออกไปแสดงบทบาทแต่มันก็ได้ชั่วคราวเพราะว่าได้กำหนดก า, ก, าการกฎรกดข่มันมันแค่ชั่วคราวอา่าวว่าไปมาทุ่ม สี่แล้วนะครึ่งเวลาแล้วนะเอาต่ออีกหน่อยนะขอละเมิดหน่อยตัดทางกลับแล้วว่าชั่วครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นครั้งครกาวกล่าวมีคำพนันนาบุเลยว่าเป็นการกดข่มซึ่งเป็นอุปการะตอนเป็นธรรมชาติทุกคนมันกดข่มอยู่แล้วธรรมดาธรรมชาติไม่ได้ปฏิบัติทมปฏิบัติทำอะไรมันก็กดข่มอยู่แล้ว ถ้ามันมีกามันมีราคะแบ่งแรงมันจะปล่อยออกเรื่อยๆระลาบไม่ได้หรอกเพรสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสังคมอยู่ในไหนๆมันก็กดข่มอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติสัตว์โดยเฉพาะเป็นคนสัตว์ในได้ชานมันอาจจะน่ะไม่ระมัดระวังไม่กดข่มไม่ระงับเหมือนคนก็ได้แต่คนมันสังคมเมื่อคนมันก็กดข่มกันอยู่แล้วน่ะ เพราะงั้นวิธีกดข่มจึงเป็นวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่เป็นสัสญชาตญาณแต่ถ้าเป็นวิธีของพระเจ้าโดยตรงแล้วทำให้ได้สําเร็จแนเป็นครั้งเป็นคราวก็ใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาหลักก็ได้ยินมาล้แบบไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์มัน ดับได้มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวจริงมันไม่มีตัวตนจริงมันเทศหลักใหญ่ๆก็อนิี้จังทุกครั้งอนัตตาทําความเห็นจริงให้เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วไม่ให้มันเดียวมันก็หายแล้วมันก็ไปเอาใหม่เรื่องนี้ไปเรื่องอื่นมาทดแทนคุณติดใจมันมากมันไปกรเลาบ้างแต่คุณก็ต้องมีเรื่องอื่นมาทดแทนมาซ่อนซอนอ เรื่องนี้มันไม่จริงมันไม่อยากจะต่อมันก็ไม่ทำหรืออยากจะต่อคุณก็ต่อเรื่องนี้ไปโอ้ไม่ได้เราเจอคนนี้แล้วต้องตามต้องไม่เอาแล้วเรื่องอื่นเอาก็ะบาไปตามใจคุณงานการอื่นไม่เอาแล้วจะเอาเรื่องนี้แหละเอาให้ได้ให้สมใจเท่าที่คุณจะสมใจขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายไม่ได้กับปล้ำข่มคืนแล้วก็ฆ่าทิ้งตั้งตั้งที่ยังไม่ตายก็โยนลงไปจากรถไฟเลยอะไรเงี้ย มันก็ทำได้ถึงขนาดนั้นอ่ะดาบคายหรือว่าแมุเลทุลังการอมหิตกว่านั้นมันเคยทำสารพัดความเร็วสามองคนเอาทีนี้ในการรู้จักด้วยการสัมผัสด้วยการรู้สักกายแล้วก็ต้องดูให้ชัดจนพ้นวิจิกิจฉา พ้คนความสงสัยว่านี้ใช่นะตัวกิเลสแน่นะไม่ใช่ไปฆ่าผิดตัวไม่ใช่ไปกําจัดรวมอะไรก็ไม่รู้เอาให้เฉพาะกิเลสตัวนี้แหละให้แม่นแม่นชัดชัดนี่เป็นสังโยชน์ข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าท่านละเอียดละออมากที่ไม่ใช่ว่าจะไปเหมาเข่งนั่งสะกดจิตรวมไปหมดเลยจะฆ่าศัตรูก็ไปเห็นตรงรังตรงรู้ไปตรงมาเรียนรู้ตัวศัตรู ศัตรูอยู่ในโลกนี้เผาโลกทั้งโลกเลยกำหนดนั่งดับไปหมดเลยทิ้งไปหมดเลยมันไม่ใช่ทำลายไปทั้งยวงเลยไม่ใช่ขาพระเจ้านี่ต่างกันหมดต้องเข้าใจตัวตนของมันให้ชัดแล้วก็ให้แม่นจนไม่สงสัยว่าใช่แล้วโจรตัวที่จะจัดการมันจริงละตัวนี้จริงละ พนวิจิกิจฉานี่สมมมาทิฐิเกิดขึ้ น, นเรื่อนในี่พ้นสังโยชน์สองข้อแล้วนะอ่ามีมักตากความรู้ปริยัติแล้วไปปฏิบัติก็เป็นมักอยู่มันยังไม่เกิดพน้นนะเนี่ยแต่มันเป็นปรมัติ์สูงขึ้นตามลำดับเพราะมันเป็นไปสัมผัสจิตเจตสิกจริงอ่านจริงในขณนะที่คุณเป็นสังวรประธาน แล้วก็ทำหน้าที่ปะหารนี่กำลังอธิบายปะหารประธานภาคเพียนประธานภาคเพียนปะหารในสมมประธาน4ีให้เกิดภาวนาประธานให้เกิดผลให้ได้ราะจะเกิดผลได้คุณต้องทำถูกต้องทีนี้ศีลพลดหรือวิธีการยึดถังวิธีปฏิบัติวิธีทาหรือว่ามักองแปดหรือว่าทุก ข, ขามินีปฏิปทา ทุกนิโรธคามินีพพิพทาหรือมักองแปดก็ต้องพิจารณาที่นี้ก็ต้องปฏิบัติทั้งวิคัมปนาปหานและจริงๆแล้วก็ต้องให้เกิดวิปัสสนานั่นแหละพิจารณาจนกระทั่งเห็นจริงเลยว่าไฟของการรำฌานเพ่งรู้แล้วก็เพ่งให้เกิดไฟฌานแล้วสลายทำลายหรือเรียกว่าเผา ชาณะนี่แปลว่าเผาชกเชอร์สลาานอ น, นูนี่แม้แต่คําว่าชาชกเชอร์สลาาสองตัวก็แปลว่าเผาแล้วชาปนกิจแปลว่างานการเผาชาปนกิจเขาเอาไปใช้เผาศพนี่ก็คือชาปนกิจของเราเราชาปนกิจจะ ชาปนากิจสัตว์ตัวเนี้เผามันด้วยไฟปัญญาไฟที่เรียกว่าฌานฌานไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานฌานคือตัวปัญญาฌานานั่นคือไฟกองใหญ่และก็คือปัญญาพลังงานของไฟพลังงานของปัญญาเนี่ยไฟที่มันมีประสิทธิภาพสลายไฟราคาสลายมีประสิทธิภาพพลังงานราคาพลังงานโทรศัพพลังงานว่าสู้ไฟอันนี้ที่ถึงขีดมันต้องมี มันตภาพหรือเป็นประสิทธิภาพของไฟอันนี้มีขีดคือเห็นจริงจนกือทั้งเกิดและขีดของความฉลาดหรือว่าความรู้ที่ลึกก็อธิบายมันไม่รู้กี่ทีแล้วคือวิปัสนาญาณ9พอถึงวิปัสนาญาณข้อหมันก็สลายแหละปล่อยวางแล้วเลิอ ก, ล อ, กออกไปแล้วแล้วก็ทำอีกเสริมอีกสปฏิคังสารปฏิสังขา น, า, านุปัสนาญาณ สังขารุปเปกขายานสัจจานุโลโมิกายานอีกอันนี้มันก็เป็นการรักษาผลอ น, นุรักษณาประธานวิปัสนาญาณหกก็เกิดการเกิดผลแล้วปล่อยแล้วยานพาปล่อยนะปัญญายานพาปล่อยนะมันสลายพลังงานของความรู้รู้ยิ่งรู้จริงเป็นฉลาดรู้จนมีประสิทธิภาพมีอำนาจมีวิสีทำลายไฟราคะไฟโทสะ อันนี้คือราคาไฟกาม่ราคะปฏิบัติไปเถอะให้มันจริงตามที่อาตมาอธิบายฝึกไปดีๆมันจะเห็นได้อ๋อแล้วกับการพิจารณาก็มันไม่เที่ยงแล้วเข้าใจให้เห็นได้จริงๆว่าปุ๊เถอะอ้ยมันเดียวมาเดียวไปไม่ให้มันมันก็ผ่านมันก็ไปอื่นอีกวนอยู่นั่นแหละมันไม่ได้อยู่ตลอดตลอดตลอดกาลนานหรอกมันไม่มันอาจจะติดมากกับวนเวียนไปอยู่กับเรามากหน่อย แต่มันไม่อะมันก็ไปหายไปดีไดีก็ลืมไปอื่นไปแล้วก็ไปเสพสุขอะไรอื่นผสมประเสมปูมากเรื่องเอาวิชาเนี่ยมันมากเรื่องแต่เพื่อจะไปพึ่งกังวลมันเราเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นก็ปล่อยไปก่อนมิฉะั้นมันก็เลยไม่รู้จากตัวสําคัญที่จะทําให้มันถูกครบสมบูรณ์กระบวนการของมันทั้งหมดมันต้องทําให้มันครบกระบวนการของมันเพราะจนกระทั่ง วิญญาณออกเข้าไปยานญานมันเห็นชัดเจนเลยตั้งแต่อุทธพยานุปสนานยานมันมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ลบไปแม้จะให้มันสัมผัสแม้จะให้มันเสพมันก็จบด้วยการเอ้าเสพสุกจบแล้วคุณก็ไม่สุขอีกแล้วดีไม่ดีก็ผักทิ้งใช่ไหมเอาเดี๋ยว พอมันพักยกไปเกิดใหม่เอาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กระร่องกระร้อยเท่าไหร่หลองนี้ไม่ดีไปนานกว่าจะมาอีกอะไรเงี้ถ้าติดมากๆจกะมาจะเวียนวนบ่อยเร็วขึ้นอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จะต้องเป็นภาระจะต้องเสียเวลาจะต้องเสียแรงงานจะต้องเสีย ทุนรอนเงินทองจะเสียอะไรก็แล้วแต่ยิงเมทุนเจ้าเออ้ยเคยเห็นสัตว์มันติดสัตว์ไหมล่ะมันไม่กินไม่นอนนะแล้วมันดุชำมัดเลยนะใครอยมาใกล้กมันมีอำนาจมันฆ่าหมดทุกตัว <c oughs> คนก็พอกันนะดีไม่ดีร้ายก็สัตว์เลยข่าพูดมันเสียเอามีมันมา มันไล่กาดเนอะมันก่อเวรก่อภัยมันก่อทุกข์ก่อลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่วันล้างกิเลสได้ในตั้งใจคิดถ้ามันล้างกิเลสได้มันจะไม่เป็นโทษเป็นภัยพวกนี้หลอและสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่อุทพยานุปสนายานมันวนมามันก็จะมาลงพักจบหยุดดับแล้วก็เปลี่ยนไปบางทีอีกนาน เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมาหาตรงนี้อะไรอื่นก็มาหาตรงนี้มาหาดับเปลี่ยนไปก็มาหาดับเปลี่ยนไปก็มาหาดับได้ก็มาตรงที่ดับไม่ได้ก็มาตรงที่ดับไม่ได้มันจำนวนก็ไม่ได้ล้วจองไว้ในใจต่อเท่านั้นเองเป็นอนุสัยถ้าได้ก็กิเลสอ้วนไปอีกจําไหมนะเอาให้ดีขึ้นกว่านี้นะให้อะ่รกว่านี้นะให้จัดจ้านกว่านี้นะ ให้พิสดาร่านี้นะอะไรก็มันยั่วยู่กันทั้งนั้นอะหมอมเมากันอยู่ทุกวันพวกครีเอทีฟพวกเนี้มันปรุงแต่งมาหลอกอยู่ทุกวันน่ะเทา่านี้ไม่จัดจ้านรูปเท่านี้ไม่จัดจ้านรถเท่านี้ไม่จัดจ้านเสียงเท่านี้ไม่จัดจ้านสัมผัสเท่านี้ไม่จัดจ้านเท่านี้ไม่พิฐานต้องให้มันวิฐานกันไปเรื่อย เป็นภาระเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วมันก็เท็จมันก็ไม่จริงมันก็ไม่มีของจริงอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นมันเราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเห็นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเออจากอุธทธพยานุปัสนาญาณแล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นเป็นพังคานุปัสนาญาณคือมันจะเห็นความแตกทําลายหรือว่าความเสื่อมนี่ชัดขึ้นความฉลาดความเห็นจริงมันจะเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้นอีกพังคานุปัสนาญาณนะ เห็นความสลายความที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องยึดถือได้มันยึดไม่ได้ถือไม่ได้นะมันแปรปรวนไปมันไม่ใช่ตัวจริงตัวตนอะไรเลยนี่เป็นลักษณะของอนัตตาห้านะวิทตโตตุ จ, จโตสุญตโต ไม่ใช่ตัวตัวมันก็ผ่านมาประผ่านผ่านผ่านแผน่ไปสร้างไปเคลื่อนไปหมุนไปมันไม่ได้เป็นแก่นเป็นสารมันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวสาระที่จะเป็นเนื้อแท้ที่จะได้ประโยชน์คุตเสพิสูตรยังไงมันก็ได้ปริไม่ได้ประโยชน์มีแต่ต้องเป็นธาตุมันต้องบำเรอ ม, มันต้องเป็นภาระให้มันอย่างเดียวจริงๆแล้วพิสูตรสุดท้ายแต่มันศูนย์ สุญญโตนี่คือองค์ธรรม ต, ต่างๆของความเป็นอนัตตาเพราะะนั้นก็ต้องพิจรารณาความจริงเมื่อเกิดแล้วก็ดูมันมีความเชื่อมต่อวันแล้ววันเล่าเกิดครั้งแรกครั้งเล่าเห็นความจริงไปญาณก็จะสูงขึ้นชลาขึ้นจากอุตตพยานุปัสสนาญาณมาเป็นพังคานุปัสสนาญาณกระเถิบขึ้นมาเห็น มันจะไปหาแต่ความไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเรื่อยๆเป็นศูนย์จะโตด้วยว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสารไม่เคลื่อนไปเปลี่ยนไปอยู่นั่นนี่ยไปเรื่อยจนถึงขั้นเห็นเอยน่ากลัวแฮะแต่คืนเรามาหลงไหลนี่อยู่นี่มันเสียท่านะเนี่ยพยาพย า, พยาตุพยาตูประธานญาญญาณที่เห็นเห็นไัยเห็นน่ากลัวมันจะมีความจริงจาก ความรู้อันนั้นเกิดของตนเองไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปกาหนดตั้งมันจะเกิดอย่างนี้จริงๆแล้วจริงท่านทำนำไว้ให้นี่ยิ่งเป็นแมปเป็นโรดแมพอ่าเป็นแผนที่ทางทางแนวทางที่จะไปปฏิบัติเลยมันก็ยิ่งชัดดีจากพระยะตุปถัฎฐายานกลัวแล้วทีนี้ก็รู้เลยมันไม่ใช่คุณมันเป็นโทษอาทิวะนุปัสนาญาณ อาิวานุปัสสะโทษในกาสมาทินวะเห็นโทษในกามที่แท้มันสักขะมันสวรรค์เทศสวรรค์หลอกมันสุขลิกะในอนุปุปปคตาหาเพราะปฏิบัติทางก็ดีปฏิบัติศีลก็ดีคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเรียกว่าภาวนาทานศีลภาวนาเกิดผลอะไรเกิดผลดับสวรรค์สักขะออกจากสวรรค์เพราะมันเป็นโทษ มันเป็นกามาโทษมันไม่จะกามาคุณแต่คนเรียกว่ากามาคุณเพราะติดมันแต่พระเจ้านะท่านเห็นว่าเป็นกามาโทษแต่คนธรรมดาสามันเลยสัญชาตญาณว่ามันคุณมันน่าได้ยิ่งได้ยิ่งมากยิ่งดีโอโหทาไมมีอาการกาเนี่ยไปซื้อไวยการาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้มาโดบสารพัดโดบน่ะ จะเป็นจะตายแล้วโอ้โหถ้าไม่มีกามกามตายได้นะโอ้โหไม่มีชีวิตดีกว่า <c oughs> นี่คือสัญชาตญาณอาวิชชาของคนมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นโทษเห็นภยัยแล้วก็เห็นโทษแล้วมันก็เห็นญาณบัญญาที่ลึกละเอียดขึ้นไปอีกมันก็โอ้ถ้ามันเป็นความจริงมันเห็นภยัยเห็นโทษจริงมันไม่เอาแล้วนิพพิทา นิพพานุปัสนายานมันก็เกิดมันก็นายก็เบือ่อก็คลายจนถึงมุญจิตุกมยัตยานยานนี่มันไปเอามันก็ปล่อยแล้วเืองมันก็เป็นพลังของปัญญาพลังของอำนาจทางไฟฌานทางไฟปัญญามันมีพลังงานที่เป็นอุณหท า, าสลายกามสลายราคาไปได้จริงๆเลยพอถึงอุปัสนาญานหกนี่มัน ลอยวางแล้วจากอีกสมสังขารเอปฏิสังขานุปัสนาญาณก็เป็นญาณที่พิจารณาทบทวนทำอีกทำอีกทำอีกอาเซวนาภาวนาพระหุรษกัมมังมันก็จะยิ่งได้ประโยชน์ได้ผลสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นความเจริญของอุเบกขาก็จะมีคุณองค์ธรรมเป็นคุณสมบัติอันป ร, รื่อยขึ้มมนปริสุทธาประโยชตาตาโตทุกรรมยาพระพัสรา จเริญขึ้นจะเริญขึ้ น, เ, น, นเป็นสังขารูปเปยายานเป็นปัญญาเป็นความรู้มันรู้จริงมันเข้าใจมันเห็นจริงเลยเพราะฉะนั้นพลังของปัญญาก็าจะสูงสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยรักษาความบริสุทธิ์ก็ได้แล้วแม้แต่จะปฏิสุทธาปริโยธาตาจากกระทบสัมผัสอีกกี่ครั้งกี่ครัคง้งเราก็ทําแบบฝึกหัดมันก็จ ะ, จะเจริญอยู่ได้ไทําให้มันขาวผ่องทํำให้ผุดผ่องทําให้มันสะอาดอยู่เรื่อยมันจะ มันจะเกิดปีเละมันจะโมจะมองจย่างนี้นก็ทำทำทำทำคนทำเป็นบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ตาปริโย ธ, ธาตากับบริสุทธิ์พุตผองไนดะ้อีกอย่างที่มันมีเหตุปัจจัยนี่แหละมีภาคปฏิบัติเสริมซ้ำปฏิสังขารูปขะปฏิสังขารูปขะนุปรียายานนี่แหละทำก็ไปทํำก็ไปจิตมันก็จะยิ่งเป็นมุทุภูต ธ, ธาตุมันก็ยิ่งทั้งรู้เร็วรู้ไวมันก็ตั้งดับทำไดป้ปรับตัวมันได้จัดแจง มโนสิกขาเนมโนสิกโรติทำใจในใจของเราได้ดีขึ้นเร็วขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นว ส, สีมีอำนาจใหญ่ดีขึ้นดีขึ้นนี่คือการทำฌานสังสมคุณสมบัติพวกนี้ลงเป็นสมาธิอุเบคาเป็นฐานฐานนิพพานหรือฐานสมาธิสังสมตัวนี้เป็นอารัก น, นาประธานสะสมผลหรือ อภิสังขารอเนจชาพิสังขารจัดการให้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแข็งแรงยืนหยัดยืนยันให้มันเข้าไปหาทุว่วงไปหานิจจังทุว่วงสัสตังนั่นแหละมันไม่ได้เกิดมาจากการคิดการรู้ภาษาแต่เกิดจากการปฏิบัติเพราะงั้นเมื่ออุเบกขามันแข็งแรงมันก็เก่งต่อสังขารสังขารมีสองใน ในหนึ่งสังขารข้างนอกมันยั่วให้เรามันปรุงแต่งมายั่วเราสังขารแล้วก็ทนต่อสังขาร น, นั้นได้เฉยอุเบกขาได้หรือเราจะปรุงแต่งเองภอิสังขารเราจะปรุงแต่งจิตของเราเองเนี่ยอนุโลมปฏิโลมยืดจุด่นกับโลกเขาทํากับเขาช่วยเขา แต่เขาต้องยืดจุนกับเ้าเพราะเขายังไม่เหมือนเลี้ยงเด็กเหมือนก็เล่นมะขามมะแกง ก, กันลูกๆเหมือนก็นไม่ครัวทำกับข้าวให้แก่คนกินตัวเองไม่ได้ติดได้ยืดหรอกแต่ัวเองแต่เขาติดอย่างนี้เขาอนี้อนุรวมทำให้เขาเพื่อจะอยู่เพื่อจะเพย่มขึ้ไปแต่ถ้ามีปัญญาก็แสกยาทิพย์เข้าคุ้มขนก็จะต้องหาวิธีเพื่อเอเขาลดละลงมาเนี่ยก็เป็นความเฉลียวฉลาดของผู้ที่จะ ช่วยคนช่วยให้เขาลดกิเลสไม่ใช่เป็นบำเลอไม่ใช่เป็นทให้เขาติดหนักเขาไปอีกไม่ใช่ก็เป็นประโยชน์ท่านอนุโลมสัจจานุโลมิขยานมันก็จะอนุโลมได้ก็เพราะเรามีสังขารุปเปกขาญาณนี่การสังขารตนเองสังขารได้ทนต่อสังขารอันอื่นมันมันกระแทกกระทุง้งตนเองก็จะปรุงแต่งเองเพื่อที่จะเอาละ อันลงนเขา้าปรุงแต่งกับเข้าบ้างเล่นหมกข้าวหมกแกงกับลูกบ้างหรือทําแม่ครัวทำเกล้าข้าวไอ้คนเขากินบ้างไอ้ตัวเองไม่ได้ติดนกรสชาติอย่างนั้นไม่ได้ลงไหลอะไรลถได้แล้วอะไรนี้เป็นตน้นอย่างนี้มันก็เป็นคุณสมบัติที่ถึงขั้นวิปัสนาญาณเก้าสัจจานุโลมิจายา น, ส, ายโโยานสบายเลยมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเลยเห็นไหมเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครบไหมในวิปัสนาญาณเก้า เพราะฉะนั้นในโสรถยาน3ตัวแรกกับสตัวท้ายอีก7ตัวเนี่ยรวมเป็น9กับ7ก็เป็น16โสรถโสรถแปลว่า16บบรุษอาจารย์ท่านก็นรวมมาจากยานปัญญาตั้ง6กสตัวของพระพุทธเจ้าอีก6ยาน73เนี่ยในพระจเป็นรวมสามสิบเอ1 มาติกาหน้าแรกเลยของพระเตบิรกเลมเนียแต่ไม่ใช่คำนำนะดูเข้าเรื่องอัข้อหนึ่งเลยเนี่ยนั่นานยานทั้งภาษาดิบทรวบรวมรวมาไว้มีตั้ง67ญยานของบูธเจ้าอีกหเป็น73ามยานรวมทั้งหมดท่านก็รวบรวมสรุปมานา ม, มารูปป ร, ปริเชตยานะปัจจะปริกหายานะอริสมัมมสนญญาณ สองคำต้นนมามรูปปรปริเชทยธิญญานะันทานบัญญัติใหม่แต่เอารวมมาในนั้นแหละเอาขับเอาลักษณะธรรมในยาน67นั้นนะมาตั้งกับปัจจะปริกหยานะส่วนสมัสนายานนะั้นมีอยู่ในมาติกาอยู่ในรากฐานเดิมอยู่แล้ว แต่ปปรู้จักไตรลักษณ์สัมมาสญญาเห็นนามเห็นกกรูปรูปจะกรพรหมุนเวียนของใจแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มันหมดนี่คือสามยานต้นแล้วก็จะเข้าสู่อุทพยานุปัสนาญาณเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไตรลักษณ์ไม่ใช่เป็นตังตะกะเอ า, าเออทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นอย่างนี้ละปล่อยไปเถอะนั่นเป็นตะกะเป็นเหตุผลเฉย แต่นี้ไม่ใช่เหตุผลปฏิบัติมันก็จะเกิดการรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงสมสนยานอาการของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนมียานฉลาดถึงขั้นอุทัพยานอุปสนิยา น, ยานแล้วก็ไล่ไปตามที่อัตมาเลาส่วนอีกสอันท้ายนั้นก็จะรู้มัคคยานผลรยานจะตัดโคตรก่อนโคตรตรพูยานแล้วกัมัคคยานพลรยาณแล้วก็ปัจเจเวคณะยานไม่ต้องท่องหรอกถ้าจําได้เป็นสภาวะอัตมาไม่ได้ท่องทั้งสิบยานนึงก็ไม่ได้ท่อง รู้สภาวะก็มาต่อหัวต่อหางก็พยายามจําภาษาเท่านั้นเองมันบาลีมันจํำมันก็ได้แต่ก่อนนี้อาตมาเรียกอุทภปิยานุปสนญาเนี่ยโอ้โหพูดก็ไม่ค่ยจะได้สักทีนานกว่าจะพูดออกมาคล่องพอถูกต้องบ้างมันเป็นภาษาบาลีไม่ค่อยคล่องปากแต่สภาวะอาตมาไม่เป็นหาสภาวะรู้แต่พ ย, ายาัญชนะก็ต้องค่อยๆจามาใส่บ้างแต่ถ้ามีสภาวะแล้วมันง่าย แล้วมันสับสนด้วยเรียงร้อยมันมันไม่สับสนมันจะเรียงชัดๆเลยถ้าคุณจำอย่างอาตมาจำนะเกา 3, ้ายาอาการหัวสามท้ายสี่สุบหกก็จำหรือจำหมวดละสามที 3, ่ปรนะัชนาญาสามสามหะอีกสามปฏิสังขารซ่อนทำทำรักษาผลให้มันเก่งขึ้นมันก็ง่ายแนละ้วโคตรภูยานก็ ตัดโคตรของกิเลสทำจนกระทั้งตัดโคตรของตัวกิเลสหมดเลยถอนโคตรถอนตระกูลมันเลยตระกูลราคะหรือกามตัวนี้เรื่องนี้ยอะไรงี้เป็นต้นมันดับโคตรดับตระกูลดับเชื้อโคตรเงาสักราชมันเลยตัดโคตรภูยานยานตัดโคตร store, everyday, อต ới, another, that, life, ไอโคตรที่มีอยู่สามโคตรหนึ่งโคตรตาโคตรตระพูบุคคลสองโคตรตระภูจิต สามโคตรภูญานนี่ท่านเอาโคตรภูญานมาใช้โคตรภูบุคคลก็คือคนนี่ตัดโคตรอยากเอามาบวชแล้วเนี่ยนะตัดโคตแล้วไม่เอาแล้วพอแม่พี่น้องขู่พัวตัวเมียอะไรไม่เอาแล้วนี่ตัดโคตรทางกายทางรูปนอกธรรมหยาบใหญ่เป็นบุคคลยังปฏิบัติหน้า น, านองน้ําตาอยู่กิเลสือหลับไม่ได้ทักทีก็ต้องมาบวชแล้วนี่ตัดโคตรทางรูปหยาบรูปนอกแล้วนี่โคตรภูบุคคล พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนจิตมันลดมันได้เรียกว่าโคตรพูจิตจนมันตัดโคตรจิตได้เจโตดับกิเลสดับเป็นโคตรภูจิตแล้วต้องมีวิมุตติยานทัศนะหรือมียานรู้จักนิโรธอ่านนิโรธออกจึงเรียกว่าโคตรภูยานยานตัดโคตรยานเห็นว่าโคตรมันตายแล้วขามันตายหมดแล้วจิตเราไม่มีแล้วเชื้อของโคตรหมดเชื้อแล้ว ไม่เหลือแม้แต่ดี a อแล้วไม่ต้องไปพูดถึงแค่โครโมโซมหมดโคตรเลยตัดโคตรแล้วตัดได้ยังไงก็รู้ว่าเราทำอย่างนี้คือมักมักขยานทำอย่างนี้แล้วมันเป็นผลยังไงนีลผลระยานท่านก็รวมมาไว้มักขยานพยาบาลมีหมดอยู่ใน หกสิบเจ็ดนมีหมดเนี่โคตรภูญานก็มีปัจจเวคขณะยานก็มีมไอ้สุดท้ายอาจารย์ก็คือพิจารณาซับใจทบทวนไปพิจารณารายอภิญญาอีกปัจเวคขณะยานทบทวนพิจารณ า, เ, า, ทท า, รณาเห็นของจริงของจริงของจริงของจริ ง, ง, งได้หมดได้สมบูรณ์หรือยังก็ไปคํารวมสุดท้ายตีหัวเข้าบานปัจจเวคขณะยานนิยานสิบหกอเลยเวลาไปแค่สี่สินาทีเอง <c oughs> เอาทีนี้เอาเลยมารุมมะตุม่มจะซักจะถามจะสรุปจะวิจารณ์มันมีเวลาอยู่อีกเอาก็ดิมะตุ่มสี่สบตามนาฬิกาตา ม, มาอานุมม่นเปนปลาไปกับ45บห้าแล้วก็บวกไปอีกส0บนาทีแล้วกัน อ, อีก30มสบนาทีเอาเมาแข่งเลยส0สบนาที ทั้งสรุปไม่ เ, เขาบอกว่ า, าให้ให้สรุปทีหลังเหมือนนั้นให้ให้สิกามาสให้สมณะสิกามาสสรุปทีหลังพวกเราเนี่ยพิจารณ์หรื อ, อหรือวิจัยวิจารณ์หรือถามก่อนก็นว่ากันไปแล้วให้สิกามาสให้สมะสิกามาสท่านสรุปทีหลังเอาเอายางละสิบเอาเร็วเอาอะไรก่อนวิจัยวิจารณ์กระถาม ใครยกมือจะเออะไรก็เอานั้นเลยเาใครยกมือก่อนเร็วใครขี่ม้าขาวเอามีจานก่อนเอาเลยเอาเอาทำไมกระฟวนให้โอ้โหสุิยันไม่มีใครคุมเสียงเลยมานํานี่เลยไม่มีใครช่วยเลยเหรอโอ้พวกเรานี่ไม่มีใครมาช่วยทำงานอันนี้เพิ่มเติมช่วยกันหน่อย ท้านอาจารย์จะพิจารณาไหมปัดโถยนื่าจะวิจารณาเองอยากฟังเสียงวิจารณ์ก่อนก็เลยเสนอวิจารณ์อ้าวม่เป็นไลน์เสนอก็ได้อ้าวใครจะวิจารณวิจัยแล้วไปนาทีสองนาทีแล้วนะไปหลายนาทีแล้วค่ะเนอะกับพอกาสค่ะอาเลยไม่มีใครเอาเลยเอเองดิฉันฟังพอท่านไม่ทันค่ะอ้าวพอท่านไปถึงวิปัสสนาญาณแล้วดิฉันยังตัดกิเลสไม่ออกอยู่ค่ะ เอ้ามันก็ต้องฟังไว้ก่อนดีไปตัดกิเลสตัดกิเลสทันทีเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ตัดยังไม่ได้ก็เถอะไม่เป็นไรเอาเข้าใจก่อนดีจะตัดกิเลสเรื่องเสียงเพลงอย่างไรคะอ๋ออ่าถามด้วยปวิจารณ์ด้วยถามเนี่ยอ่าถามว่าได้ผสมบนเพลงกันไปก็ไม่เป็นไรจะตัดเสียงเพลงอย่างไรอุอัตมาบอกความลับให้ฟังอันนึงอัตมานี่ตัดเสียงเพลงอันสุดท้ายเลย มาบวชแล้วก็ยังเสียงเพลงอันสุดท้ายอันอื่นๆก็มารูปเสียงรูปเสียงกิ่นรถสัมผัสไอ้เสียงที่บัดเรือสุดท้ายอันนี้อันสุดท้ายจะตัดเสียงเพลงยังไงนะมันก็เหมือนกันกับทุกอย่างพิจารณาตามวิจารณวาและมันไม่เที่ยงมันก็พาเป็นภาระเป็นทุกข์เป็นอะไรก็จะต้องตามฟังมันจะต้องได้ยินจะต้องได้เห็นได้อะไรแต่ไรอ่า ถ้าถึงตรงนี้นะเอาเรื่องของเอมทุนสังโยชน์เจ็ดมาอธิบายดูก็กพอพอได้นะเมทุนสังโยชน์เจ็ดนะเมทุนสังโยชน์เจ็ดก็คือนะมันรวมรวมอยู่หนึ่งมันยังยินดีที่จะต้องสัมผัสรูปไายนะสัมผัสรูปลายเอาละทูลถามเรื่องเสียงก็สัมผัสเหมือนกันนะ ถ้าสัมผัสไม่ได้ทางกายมีข้างนอกสัมผัสได้ยินเสียงมากระทบหูคุณไม่ได้ฟังคุณก็นึกเองปั้นข้างในทีปั้นในนี้ท่านอธิบายเมทุนสังโยนนี่คือหนึ่งสัมผัสจริงนะต้องกระทบกระทสัมผัสเสียดสีจริงนะสองนะมันก็มีลีลาของมัน กริกระซีเล่นหัวสัปยอกเนี่ยทเอาเรื่องของเมทุนเรื่องการผู้หญิงผู้ชายเรื่องสัมผัสเรื่องของกามโดยตรงเลยเนี่ยเมทุลกสิกระซี้เล่นหัว ห, วหวยอกล้อเลมันก็เกิดอาการรสชาติมันมีลีลาประกอบเหมือนกันอะไรแล้วแต่มันปรุงแต่งมันมันลุกกระดีกอย่างเงี้เออเทาีลาของเราเนี่ยมีสเปคต้องแบบรลอกอต้องแบบอ ะ, อะไระต้องแบบอมตะ ต้องแบบลูกทุง่งต้องแบบอะไรฮ ะ, มร ะ, ะเมกาแดนไออะไรที่มันกำลังฮิตตอนนี้ไออะไรของยิงลีเนี่ยอะไรจังหวะอะไรของมันลูกทุง่งไ อ, อยิงลีเนี่ยไออะไรนะไ อ, อ, อ, อ, ทอทโทรศัพท์อะไรเบอร์โทรอะไรนเนี่ยจังหวะอะไรกันมป็นตัฮะ นั่นน่มันต้องอยังนี้ยังนี้อะไรเนี่ยมันก็กำหนดไปเป็นอุปาทานเป็นการกำหนดที่เรายึดจังนี้เป็นยังนี้ยางนี้ยังนี้เอาไว้แล้วคุณไปยึดไว้ทำไมถ้าคุณยึดคุณก็เป็นภาราะอยู่อย่างนั้นน่ะ <c oughs> เอาไปด้วยตอนตาย <c oughs> คุณยึดคุณได้คุณไปตด้ไปด้วยตอนตายอย่างตายมันก็ไปด้วยไอพวกเนี <c> ้ย <oughs> ตาก็ไปด้วยแต่รถสนุกที่คุณจะตายไปนี่คุณไม่ได้หรอกคุณได้แต่สัญญาพอหูไม่มีนะตายไปแล้วเนี่ยไม่มีหูคุณก็ได้แต่นึกว่ามันมีหูโอ้อยไอพูดถึงเรื่องคนตายจิตวิญญาณหรือวิบากอัตภาพที่มันตายไปแล้วเนี่ยคือมันมันบา้บาบอจริงๆนาะ มันเอาสิ่งที่มันไม่มีมันหลงมันไม่รู้นะว่ามันตายเมื่อคุณฝันน่ะแล้วมันเละยิ่งกวฝันอีกเพราะว่ามันนานกวฝันเพราะอันนี้มันยังฟื้นขึ้นมามันยังมีเหตุปัจจัยที่พบว่าแป๊บๆเป็นตาของจมูกดินกายไอ้นี่มันไม่มีเลยแป๊บยังไงมาก็ไม่มีเลยมันจมนรกจมสวรรค์จริงๆดินมันก็ดินขนาด ดินที่มีร่างกายเนี่ยมันก็เท่านี้หรอกแต่ดินเออมันไม่มีร่างกายเลยมันเบามันง่ายมันดินบ่บ่าบ่บ่ไปอะไรวิถีฐานยังไงก็ได้เพราะจิตมันปั้นอะไรก็ได้เพราะงั้นมันพูดจะพูดยังไงมันอาจินตจจริงๆริะเพราะงั้นตอนนี้ต้องล้างให้มันได้ก่อนตายคุณจะเอาไปด้วยเราพิจารณาเห็นมันจริงๆเลยว่า เมื่อมันดลิกลริเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องนะมันจะต้องเพ่งต้องจ้องต้องกับสิ่งที่เราจะต้องการกระทบเนันคุณก็ณจะต้องรู้ว่ามันอยากฟัง <c oughs> ฟังอยากได้ยินอยากได้เห็นอาตมาจะเล่าความช่วงอาตมาให้ฟังอาตมาอยู่พิบูร์นี่แหละลิเกมันมาเล่นมันไม่มีประจำาเรานะในในอำเภอนานๆมันมีลิเกมันมีละครมันมีอะไรมาเล่นจำได้อยู่ว่าเราๆอะไอโรงที่มันเล่นนะ่ะมันมันฉางข้าว มันทำเป็นทางข้าวใหญ่มันทำเป็นวิกลิเกอัตมาก็อยากดูก็ออกกลางคืนนอนกันหมดแล้วขึ้นนอนหมดแล้วล้วก็ลอบออกเปิดประตูออกแล้วก็หาอะไรมาดันปิดประตูไว้หลังบ้านแล้วก็ไปเอาภาคทุ่งหัวไป ไปดูดิเกเคยทำํำออกไปขโมยเข้าออบ้านก็ไม่รู้ว่าถ้ามันรู้แกวแต่มันก็โชคดีมันไม่เคยเข้า อ, อกบานไม่จะโชคหรเคราะถ้าขโมยเข้าบ้านไม่จะโชคขโมยเข้าบ้านเคราะก็เคราะหดีไม่เคยเกิดมันอยากมันมันยังงั้นอะ่ะเ้องไปดูต้อไปอะไรแต่ไปต้องทํา อย่างนี้เป็นต้นเฮ hey, ที่ไหนฉับชิงที่ไหนไปที่นั่นเฮ hey, ที่ไหนไปที่นั่นนี่แราก็ต้องพิจารณาคนเออมันติดแรงกว่าเราเนี่มันก็ติดอย่างนี้เราติดอยู่มันก็เหมือนติดเกิดแรงแรงมันไม่แรงก็ดีอยู่แต่มันก็ยังติดนะก็ต้องพิจารณาออกว่าทำไมผู้ที่ท่านไม่ติดท่านเขาไม่ต้องเป็นภาระตอนนี้เราพอรู้ปริยายแล้วคร่าวๆแล้วว่าเออมันไปติดอยู่ทาไม คุณก็ต้องพยายามพิจารณามันเรื่อยว่าเราทำไมเราโง่ทำไมเราไม่เห็นจริงมันไม่ใช่ของจริงมันไม่มันเป็นรถเป็นอะไรต่อต้องพิจารณามันจริงๆบ่อยๆเสมอทั้งในเวลาที่สัมผัสจริงทั้งในเวลาที่มันะระลึกเยออมันะระลึกเ อ, เอาเองมันสัญญากำหนดม้าระลึกถึงมันอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะห้ำอยากจะบมบอือจน ไม่ได้เห็นจริงก็เหมือนใครมาร้องให้ฟังด้วยร้องเองซะเลยอะไรไพิจารณามันไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเลยสูตรใหญ่อันเดียวกันของพุทธะนะพิจารณาเห็นจริงว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันเป็นภาระมันเป็นทุกข์มันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกมันทําให้เราต้องอเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียแล้วก็ได้ของเท็จ นาอารมณ์ลวงในสาสพปี้ไม่ดูที่มันกี่สุกแลร้องเพลงมันกี่เท่าไรแล้ววะนสาสพปี้มามาดูที่มันยังไงมันออกแสงไหมมันเป็นเหมือนเพชรไหมร่มรมแรงแรงเหมือนพระจับแดดเหมือนฟองคลื่นเหมือนเม็ดน้ําค้างอะไรพระเจ้าท่านตรัสอาตมก็จำไม่ได้ขนาดนัน ะ, นะนะ เหมือนเปลวแดดเหมือนอะไรต่างๆนานมันไม่ได้นานหรอกถ้าเพลเทียมมันเห็นชัดมันก็หายไปนะปารโตนัตโตวิทโตตุจโตสุญญโตทั้งนั้นแห่ต้องอาศัยการอ่านพิจารณายิ่งขนาดที่เกิดคุณพิจารณาดีเวลามันเกิดจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเออมันหายมันเบาบางแต่คุณไม่ทามันเลยไม่ออกททีมันเกิดขึ้นมาม่ได้ยไปเพลนกับมันที่ ตั้งสติ้ก็ไปเยนนายเห็นว่ามันไม่น่ายึดถือมันไม่น่าอะไรมันเป็นอย่างต่างๆมูเจ้าสอนไว้ทุกนายเลยพราะยันชนะต่างๆไม่อาตมาพูดแถมอีกเรื่องเยอะตังแยะอ่าเอายาวแล้วแต่ก็ดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่น่าศึกษาน่าฟังขยายความก็น่าฟังเอาไปเอามาเกินเวลาทั้งสินาทีแล้วไปถึงหรอกสิบเก้านาที กับเขาโอกาสคะ่ะเรียนถามว่าการปฏิบัติธรรมสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะคะเราต้องสัมผัสสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กเด็กโตพอเราไปสัมผัสเราก็ดูองค์ประกอบเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไงจะพูดแบบไหนจะวางตัวอย่างไรอันนี้คือสังขารเราก็มีกายกรรมออกไปตามที่เราว่าอย่างนี้พอเหมาะพอควรอย่างนี้ปฏิบัติ ถูกไหมคะก็ถูกพอมอพอครัวนีคือการประมาณกรรมกิริยาเพื่อให้สัมพันธ์อยู่กับสังคมแต่มันไม่ใช่ปรามัดปรามัดก็ต้องอ่านจิตเราสิสัมปัตสัมพันธ์เาจิตของเรามีปฏิพัทธ์ไม่มมีปฏิพัทธ์ก็สบายแล้วก็ทางานที่นี่ในงานที่กำลังทำงานร่วมกันมันก็มีชอบมีชังมันก็มีชอบมีชังชอบมันก็ใคร ก็กามครอบก็ใขรอยากในธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเพราะเราก็ต้องดูไม่นใช่เรื่องของกามทีเดียวก็ครอบชังอันนี้เป็นต้นนะก็พิจารณาต่อไปถ้าเป็นเรื่องกามก็ดีเลยก็ถ้ามันเกิดก็เอาเลยพิจารณาจริงมันสัมผัสสัมพันธ์แล้วถ้ามันไม่มีก็แล้วไปก็ให้แนะไวแนะต่อมันก็จะมีกรรมกริยาต่อกันมีงานการร่วมกันอย่างนี้เราเออชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ เติมคะ่ะว่าบางทีในการทำงานที่อยู่กับกลุ่มแล้วบางทีมันก็เพลินในความเพลินตรงนั้นก็รู้ว่ามันเป็นพิษภัยแต่ว่ามันก็จับอาการจิตไม่ได้แล้วก็หยุดไม่ได้ที่ว่าจะารู้ว่าตรงนี้ชอบแล้วก็หยุดมันแล้วก็สลายกิเลสทำไม่ได้คะ่ะเพลินไปกับงาน จ ร, จริงๆงานนี่นมันต้องอาศัยพลังที่เรามีจิตเบิกบานในงานเบิกบานในธรรมไม่ได้หมายความว่าคนจุดจืดจดชืดมันมีพลังนจดจืดจืดชืดเนี่ยเรารู้ว่าพลังอาศัยพลังที่มันเออมันยินดีมันมันมันอยู่ในลักษณะที่มันท่านเรียกอะไรภาษาบาลีท่านเรียกจิตอะไร อภิปโมทยังจิตตังเออถ้าเรียกว่าอภิปโมทยังจิตตังปโมทแ่แปลว่ายินดีปราโมดอภิปโมทยังก็ยิ่งคําว่าอภินี่ตัวนี้นี่สําคัญอยู่ในกาอายู่ในอานาปานาสติอภิปโมทยังจิตตังจิตที่เบิกบานร่าเรืองอยู่จิตที่เบิกบานร่าอยู่อาศัยจิตนั้นไม่ใช่ว่าสงบแล้วก็ ไม่มีจืดทูด่จริงในลักษณะกลางเฉยเนี่ยมันไม่ดูไม่ผลักแต่อาศัยในขณะที่อาศัยเนี่ยเราอาศัยลักษณะนี้แล้วเราก็รู้ว่านี่เราอาศัยไม่ใช่เพลินอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้มันเพลินมันติดไปเกกับความเพลินในการทำงานเราก็รู้การทำงานมันก็มีเบอร์บานราเรื่องการงานโดยการรู้ซ้อนลไปว่าเออดีเนาะ ง, งานนีเป็นการงานทีไม่มีค่า เป็นการงานไม่มีโทษเป็นการงานอันควรเป็นการงานอันต้องทำแล้วเราก็ทำมันด้วยพลังงานรู้พลังงานปัญญารู้ว่าโอ้มันควรทำแล้วเราก็มีอารมณ์หรือมีอาการอย่างที่ว่านี่ซึ่งเราก็เข้าใจแล้วก็รู้ทันมันนะว่าย่าไปไม่ดียังถ้าไม่มีอาการเบอร์บานราเริงงานชิ้นนี้งานอย่างนี้เราหยหามันติดมันแล้ว แต่ถ้าไม่ห้อยหาหอกเราก็รู้ว่า ง, งานนี่ควรทําเราก็ทําเมื่อหยุดก็หยุดรูปพักรูปเพียนเราไม่พักเราไม่เพียนเราควรพักก็พักคนเพียนก็เพียนต่อนั่นก็เป็นไวยะที่ลึกซึ้งต่อไปอีกที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ค่ะคําถามสุดท้ายค่ะอยากจะเรียนถามว่าถ้าเผื่อว่าเราเจอผัสสะในขณะทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้รับไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวขอหนีก่อนอะไรเงี้ยค่ะรับไม่ได้แล้วขอหนีก่อน แล้วก็เราพ่ายแพ้ก็เหมือนพระเจ้าท่านสอนไว้ว่าผู้ที่ออกสนามรบยังไม่ทันได้ยินเสียงของฝีทามาของกองทัพคัจจตูมาเลยนึกว่ามันอยู่ตรงนี้เองแล้ ว, วิ่งหนีแล้วหรือแม้จะได้ยินเสียงต่างแต่ไกลมาก็ยังไม่ทันเลยเราวิ่งหนีแล้วพวกนี้มันไม่สู้ ไม่ใช่นักรบไอ้ที่ถามมานะขนาดไหนหละ่ะขนาดยังไม่ท่านได้ยินเสียงเลย น, นึกว่าโอ้ยมันมาแล้วไปแล้วเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้ามาหน่อยเดียวมาเห็นโมโหหมูกองทัพมามาโมโหวิ่งตูดแป้นเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นนักสู้ขนาดไหนนักสู้ขนาดว่ายังไม่ทันไรเลยวิ่งแล้วหนีแล้วอะไรนี่ถ้าเป็นก็เออเป็นนักสู้แี่ว่าเอาหน้า คุณตั้งใจจะสู้ไหมล่ะจะเป็นนักรบไหมล่ะที่จริงคำว่านักรบเนี่ยมันคือสรณะที่พึ่งแต่โดยพยัญชนะมันคือการอยู่กับการการรบรณ ร, ร, ร, รสระณะประกอบด้วยการรบสู้กับกิเลสเพราะการสู้กิกเลสก็ท้ากระตัสไปอีกว่ามันเท่ากับการรบสู้กิกเลสท่าว่าการรบ เพราะมนุษย์ทุกคนต้องมีสรรนามีการรบจนกว่าจะอรณะจนกว่าจะไม่ต้องรบอารณะชีวิตต้องอรณะเพราะฉะนั้นคุณอรณะได้แล้วคุณก็อยู่กับอย่างนั้นสรรนาก็จะเรียกกันไปปฏิสรรนาได้ทวนทำจนกระทั่งบรรลุสุดยอดแล้วเอาเอาวนิดเดียว ก็บอกี้บอกว่าให้บันเลยไปเท่าไหร่สิบนาทีใช่มหมยังอีกสิองนาทีครับขอกราบขอยังไม่ได้สรุปนะนยังไม่มีเวลาให้ทั้งนี้สรุป้วนิดเดียวค่ะกราบขอการ์่ขาดในความรักสิมิติเราก็รู้กันหมดแล้วนะคะขอพู้ย่อๆว่าชาวอโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราขณะนี้อ่ะวอนบอทั้งหมดที่มาตั้งใจเรียนยินดีในการรู้จักทำปฏิบัติทำอย่างนี้อ่ะ เรามีความรักใช่ไหมคะพ่อท่านแล้ ว, วความรักของเราอยู่ในมิติ8หรือเปล่าคะทุกแปใช่ไหมคะใช่ใชขอบพระคุณคะ่ะอันนี้ ก, กำลัง ส, กกาสาธยายมิติ8ปดเพิ่งเริ่มมิติที่หนึ่งบอกแล้วว่าถึงมิติที่เจนี่แหละคือแปดเริ่มต้นมาเรื่อยๆถ้าครบสมบูรณ์เจ็ดมิตินี้แล้วก็เข้าใจนั่นคือคุณเข้าใจทีนี้ทำได้หมดมคุณก็ จากแ8ดนี่แหละเรียนทั้งรู้ปริยัติและปฏิบัติมันก็เป็นมิติที่เกเป็นอรหัตที่พ่อท่านอารหัรสจะให้ขึ้น อ, ร ห, ร, อรหันิมยมและก็ให้ได้อย่างน้อยเก้าองค์หรืออย่างมากอะไรอย่างเงี้คยค่ะไมาไ้จองไม่เลยขอบพระคุณค่ะกราบนิมนท่านสมณะสิกขามาสรุปให้เราฟังด้วยค่ ะ, ะตกลงเหลือสมณะสิกขามาต่อเลยที่จริงก็เหลืออีกตั้งสบนาทีนะเนี่ย โอ้ยสิไม่ใช่11นาทีเนอนาทีถ้างั้นเพื่อนเพื่อนวนบอที่สงสัยจะวิจัยวิจารณ์ก็ฉ่นก่อนอีกสักคน2องคนไหมคะเออสองคนไม่ไหวแล้วนาทีเอาค น, <ท> น, นหนึ่งก็ได้ค่ะใครใครจะมีใครยกมือเลยค่ะจะส่งไมไปให้ จริงๆพวกเรายังไม่ได้สรุปเลยนะครับพ่อท่านก็มีแต่ถามก็ไม่สรุปนั่นเน่ยไม่ได้รไม่เป็นไรก็ให้สมณะสิลกมาสรุปก็ได้งั้นก็เดี๋ยวท่านว่าไงสมณะใครที่อยู่ตรงไหนสมณะกี่ท่านกี่องค์ไอ้วันนี้น้อยกว่าวานนี่แฮ่อ๋อไม่สนใจเรื่องตระความรักสิมิติเอาศิลกมาศเอาได้ก่อนก็ได้ค่ะกลับขอกาสพระท่านท่านสมณะเตค่ะเจริญธรรมพวกเราทุกคนนะคะ ค่ะวันนี้ฟังทำพ่อครูในช่วงแรกที่ได้พูดถึงเรื่องของความรักสิมิตินะคะมีความรู้สึกโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคือถ้าถามว่าทุกศาสนานี้สอนเรื่องความรักไหมก็สอนเรื่องความรักนะเข้าโอ้โหเรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้คนเข้าคพ้นมีความสุขใช่ไหมคะแต่ของพูดเราเนี่ยให้พ้นทุกให้กิเลสหลุดออกจากใจอะ่ะคือรู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่อะ่ะมัน ถ้าเทียบประแรมมันจะต่างกันมากเลยนะคือของเราเนี่ยมีความรักแบบให้ช่วยให้พ้นทุกข์จากกิเลสให้พ้นจากกิเลสนะตรงนี้นะก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรที่พ่อนพูดถึงว่าคือเวลาเรามีพรรษาใช่ไหมตามหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราต้องอ่านจิตเราให้ออกอ่านให้เป็นว่ามันมีสุขมีทุกข์อย่างไรเพราะอะไรอย่างดิฉันนี่ไม่ชอบไม่ชอบไม่เ่ยนะคะ เวลา ม, าม <laughs> เวลามันมาก็จะให้ลอยไปหาพันเตลอยไปหาสมณะอะไรเงี้ยนะคะ <laughs> หรือไม่มังทีสมณะจะให้เราเทศแล้วก็แล้วก็จะชอบเกี่ยงชอบเลี่ยงอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนหลังก็เลยมาจับจิตว่าเออเรากลัวอะไรนักหนานะทุกคนคือพี่น้องเราหมดเลยนะแต่มันมีโล ก, กธรรมแต่พอเรากล้าที่จะจับไหม่นะเออกิเลสมันก็ดีนะคะเมื่อก่อนนี้คือเรารู้สึกเวลาเราไมันจะไปเอากิเลสดีนะ ไม่ใช่กิเลดีคือรู้ึว่าเราจิต <c oughs> ใจเราดีขึ้นเดีย๋ยวเมื่อก่อนนี่เวลาเราจะพูดเราคิดว่อย่างดีเลยนะคะ <c oughs> แต่เวลาเราพูดนี่มันพูดไม่ได้อย่างที่เราคิดอะ่ะล้วก็จะมาทุกข์ทีหลังใช่ไหมคุณเราน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างงี้อะไรก็ทุกข์นะคะแต่พอตอนหลังมาก็โอ้เราเข้าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะพูดดีมคือดีดีในที่นี่หมายว่าคือดีตามที่ตัวเองคิดนะคะพอไม่ได้อย่างที่จใจเราเราก็รู้สึกเราทุกข์แต่พอเราเข้าใจแล้วโอ้คือ ไอ้ดีอย่างที่ว่าเนี่ยคือเป็นกิเลสของเราเองที่จะให้มันได้สมอัตตาของเราแต่พอเราเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะล้างใจแล้วโอ้ น, นี่มันคือการที่เราจะสนอัตตาเราให้ได้สมอัตตาเรามันดีไหมไมีดีดีหรือไม่ดีต้องอ่านใจเราใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าใจเออจะพูดดีไม่ดีจะเทศดีไม่ดีแล้วก็สภายเลยทีนี้ก็รู้เอารู้สึกประทับใจที่ พ, อพ่อพูดถึงว่าคือกิเลสจะหลุดก็ปัจจุบันนี้นะผัสสะปัจจุบนันอย่าหนี้ผัสสะปัจจุบนันแต่พวกเราสามารถก็จะชอบหนีใช่ไหมคะ ก็เพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาเจอปัสาก็อยู <S <S ่กับปัจจุบันนะคะค่ะจะเรียนทําค่ะสาธุอ้าวใครอีกเหลือเวลากี่นาทีครับเหลือเวลาอีก8นาทีวันนี้พ่รูเทศเรื่องกามนิยมนะเบื้องต้นก็คือพูดถึงเรื่องโทษภัยของมันคือเป็นเรื่องของชาวบ้านมธรรมังวสระธรรมังเป็นมารยาทของคนชั้นต่ําอันแรกคือพฤติกรรมคนชั้นต่ํา ฟังแล้วก็กิเลสจะต้องกระดุน่าจะหดเลยเนาะครับกิเลสหดทุทุนลังคือเป็นชื่อเป็นของชาวบ้า น, นอันก่อนเป็นของช่วยยาบ อ, อันแรกเป็นชาวบ้านครับอของที่สองเป็นชั้นต่ําอันสามเป็นพวกช่วยยาบครับคือฟังแล้วก็นี่คือโทษภัยคือก็อธิบายถึงว่าก็ต้องมีภาษานะภาษาก็คือ สุดท้ายการปฏิบัติก็คือต้องมาฟังทำรรฟังทำรรเข้าใจแล้วก็พ่อครูก็เริ่มอธิบายว่าวิธีปฏิบัติก็มี2 อ, อย่างคือการกดข่มกับวิปัสสนานะพอเริ่มวิปัสสนาพ่อครูก็ไล่เวทมนในทําจิตให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ฌานหนึ่งเป็นต้นไปนะว่าจะดํำดิ่ออกอย่างไงมีเห็นสักยะอย่างไรจับต้องจับปัญ ญ, ญาณจับสังขารได้ก่อนแล้วก็มาวิตกวิจารนะวิจัยนะแยกแยะพฤติกรรมว่า อันไหนกิเลอันไหนไม่ใช่กิเลสตัณหายงง อ, อย่างไรอะไรยงอุปทานอย่างไรนะจนมาอธิบายถึงเรื่องว่าวิธีปฏิบัติคือมีวิปัสสนาญาณ6อันนี้ก็ไล่ญาณทั้ง 6, ทั้ง9านะมาว่าตั้งแต่เห็นความเกิดดับมาแล้วมันสุดท้ายเนี่ยมันอะไรก็ลงที่ดับนะแล้วก็มันก็แตกสลายนะมันไม่อยู่กับที่มันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่คงที่ พ่อครูก็จะบอกวิกปัสนาคือหนึ่งเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนมันแปลเปลี่ยนเป็นของธรรมดาเนี่ยมันมนัมันไม่อยู่กับที่อ่ะเหมือนหยดน้ําค้างเหมือนเกลียวคลื่นเหมือนเปลวแดดนะทุกอย่างมันก็แปลเปลี่ยนไปตามนั้นจนเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีอยู่อยู่นานเนี่ยาการไป็ทุนน่ากลัวถ้าเป็นพระก็สึกแนงแงเลยนะถ้าเกิดสังสงี้บ่อยๆก็สึกแน่ๆ น, นะ ก็เห็นโทษเห็นภัยของมันนะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้จนเกิดความระนายคายจนเปื่องจิตได้นะจนเป็นอุเบกขาซึ่งพ่อครูที่ใบอัตมาก็พยายามตรวจสอบตัวเองไว้ได้ว่าเออเรามีขนาดไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ล้างส่วนที่ตัวเองเออยังมีอยู่ขนาดนี้อะไรเนี่ยก็อัตมารู้สึกเออการเรียนของพ่อครูทําปฏิบ่ายชานี่ก็ดีไปอย่างประกอนพ่อครูทีบายไวใช่ไหมเราก็ตามไม่ทันตอนนี้อธิบายแล้วก็จับอารมณ์แล้วก็พยายามปฏิบัติตามไปด้วยเออตรงนี้ตรงนี้ เพวกลัวว่าอธิบายให้ฟังตอนนี้ก็ปฏิบัติตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนตอนนี้ด้วยเราจะเข้าใจได้ว่าการบรรลุธรรมในภาวะการฟังธรรมก็คือตรงนี้นะจะศึกษาทบทวนตัวเองแล้วก็จับกิเลสตัวเองมาว่าเป็นยังไงบ้างในขณะที่ภัสสะอยู่ขณะที่เป็นอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไรบ้างนะสุดท้ายเราก็จะได้ผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทบทวนตัวเองบ่อยๆนะอันนี้ ก, การฟังธรรมที่ได้ผลก็คือตั้งใจแล้วก็บันทึกแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปทบทวน ทบทวนตัวเองว่าฟังทำวันนี้แล้วได้ผลอย่างไรสรุปว่าเราจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรอาตมาเห็นตัวเองอย่างหนึ่งคือที่พระครูที่บายคือเราไม่ทําให้มากจิตจึงไม่เล่นไปไม่พี่นะให้มากกิเลสมันจึงไม่หลุดนะเท่าที่ฟังวันนี้ก็ได้ผลแค่ น, นี้เจริญธรรมอ้าวใครอีกจะสรุปไม่มีนะครับสมณะลองสามรูปอ่า เหลืออีกสีนาทีไม่มีนะครับไม่มีก็อัตมาเหมาสุดท้ายาวันนี้ก็เริ่มต้ น, นก็ยังจะมิติที่หนึ่งพร้อมเป็นรากฐา น, นาทั้างหน้าก็ยังจะมิติที่หนึ่งอยู่ต่อไปก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยๆข ย, ยายมาหาลูก จากคู่แล้วมีแต่สองเราแล้วทีนี้ก็จะขยายมหาลูกมหาผูท้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นเรามากที่สุดเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นตัวแทนของตัวเราจริงจริงแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เห็นเป็นตัวแทนของมันมันก็ต้องรักลูกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หวงแหนแล้วเราก็เห็นแก่ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยิ่งมนุษย์ก็จิ่งอย่างนั้นนอกจากมนุษย์ที่เลวชาติมันไม่รักลูกอีกเรื่องหนึง่งจริงๆรักนี่แหละจริงๆสมบูรณ์ด้วยรักนี่มันคือทําหน้าที่ดูอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกน้าทีอย่างอาตมานี่นะอาตมาเลี้ยงน้องมาอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ไม่ได้รักน้องไม่ได้ปลูกพันุ์น้องเล ย, เลยนะแต่ก็รู้ว่าอาการรักคืออะไร เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่มีอาการเหมือนอย่างชาวโลกเขารักลักลูกลักน้องจะต้องกอดต้องหอมจะต้องครอเข้าจะต้องอะไรแต่ไรเนี่ยไม่มีอาตมาไม่มีพ่อแม่อาตมาก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นประพฤติอย่างนี้ตั้งแต่คุณยายมาแล้วอยู่ในพวกเดโมู่พวกเดนมานี่ก็ไม่เห็นมีคุณลุงคุณป้าก็ไม่มีใครเขาทําพวกเรา ทีนี้อาตมาเห็นสังคมขงเขาก็สอนกันโอ้ยต้องกอดต้องหอมต้องอะไร ต, ต่างๆนานาพวกเนี้มันคือสัมผัสทั้งนั้นแล้วมันก็โอบรัดแล้วมันก็สัมผัสแล้วมันก็สร้างค่าสร้างค่านิยมที่จะต้องความรักที่ผูกพันความรักที่ตรึงตราความรักที่จะต้องมีสัมผัสจริงๆแล้ว ความรักระลึกถึงกันสารณิยปิยกรณะมันเป็นความรักที่เป็นหน้าที่หน้าที่สาคัญพ่อแม่ต้องดูแลลูกต้องให้ลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อของเราถ้าเสียก็ชิ้นของเราเนื้อของเรานะตัวแทนของเราเสียเลวไม่ดีเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบมีมาแล้วต้องสร้างแม้แต่อัตมาไม่มีลูกอัตมาเลี้ยงน้องก็เหมือนลูกทุกอย่าง ต้องให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เรียนร่ําเรียนก็ส่งเรียนจนอยากไปเรียนเมืองนอกกทท็ทั้งตั้งติ่มไม่ได้ร่ารวยอะไรพอส่งได้ก็ถูกถูกไถไปส่งให้เรียนทําทหน้าที่ด้วยเมตตาความจริงคือปัญญามันสูงอะความรู้ตามหน้าที่นี่สูงอย่างเจตพุทธาฏยืนยันเนี่ย ท่านก็มีภูมิรู้ดียอดฤาษีบูธตานก็ไม่ต้องมีอารมณ์หรืออาการที่มันเป็นโลภีเพราะน้องๆนๆจะบอกอาตมาไม่รักไม่ได้เลยแต่อาตมาก็ไม่มีเพราะว่าจริงๆน้องๆนก็ไม่ถือพราะพ่อแม่ก็ไม่พาทำตแต่ต้นต้องเคราคห์ทีต้องแอบต้องกอดฟัดเปี่ยงอะไรต้องอะไรต่างๆนั้นนะเกินการก็มีบ้างก็มีบ้างนะ ก็มีแสดงความรักต่างการสัมผัสอะไรอะไรบ้างน้องนุ่งอะไรอะไรก็มีบ้างแต่มันไม่ได้มากจนเกินะะจะต้องมาต้องหอมก่อนต้องจูบพ่อคนนั่นคอยเข้านอนจูบแม่คนนั้นคอยเข้านอนอ ะ, อะไรต่างๆนานาพวกนี้คือเขาไม่รู้แล้วเขาก็สร้างแล้วมันก็เป็นไปผูกพันนะอย่างนี้เป็นต้น เพราะความรักที่ลึกซึ้งคือความรักที่ทำกรรมกิริยาตรงตามหน้าที่ตรงตามสิ่งที่เอออันนี้แหละคือสาระของมันอย่างญาติเนี่ยญาติคืออะไรญาติคือผู้ที่พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เพราะหน้าที่ที่จะช่วยกันในพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเกิดก็คือญาติพึ่งแก่ก็คือญาติพึ่งเจ็บพึ่งป่วยก็ญาติพึ่งตายก็คือญาติ ถ้าทำหน้าที่อย่างนี้อย่างเต็มใจเข้าใจทำอย่างไม่มีความเบืเกลียดงอนไม่มีความมีความค้นขวายมีความเอาใจใส่ด้วยนี่แหละคือความรักญาติความรักลูกรักหลานก็เหมือนกัน น, นี่อธิบายนำไปก่อนอ่าสหรับวันนี้ก็สรุปไปแค่นี้ก่อนนะโดยเวลาเป็นหนึ่งนาทีจนได้เป็นสิบอนาทีแล้วอ้าวเจริญธรรมทุกคน คณ